นามิศิรสาเิจังปุเรตวะอาคโตวรังโมขันาโทพิชันโตดวยังหิตวาสระทักังโมทังวเนสุดุการังนามิศิรสาทารัง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสาสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท่วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียรก้าบเป็นนิดพระนาถทรงปรารถนาโมกสะธรรมสระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสอง พร้อมด้วยแวนแขวนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนาถผู้ทรงทาสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวข อ, อนอบน้อมพระธรรมด้วยข อ, อนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาประกาศยืนยันกราบพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็กราบลงไปใช่ไหม การที่เราประกาศลักษณะอย่างนั้นแปลว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เชื่อมั่นพระเจ้านั้นดับกิเลสดับกองทุกข์ได้หมดสิ้นแล้วที่บอกว่าข้าพเจ้าอภิวาทในคํานั้นแปลว่าอะไรแปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วเราก็กราบลงไปนี่ยแล้วประกาศปฏิญญาณตนเองแบบนั้นนปะปฏิญญาณว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ย ให้เป็นผู้รู้อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นผู้ตื่นจากราคาโทสะโมหะเป็นผู้เบิกบานนั้นหมายความว่าเป็นผู้มีอิสระเสรีภาพเป็นผู้ไม่เป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพุทธะตามพทะเจ้าให้ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็กราบลงไปแล้วก็มาบอกว่าสวาขาโตัวภควตาธรรมโมธรรมังนมาสามีเป็นต้นเราบอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้านามาสการพระธรรม ศีลเป็นความงามในเบื้องต้นนั้นเป็นชื่อของพระธรรมสาภาสม า, สมาธิเป็นความงามในถ้ำกลางปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดแล้วไปบอกเราไงเราบอกว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นระดับศีลความงามในเบื้องถ้ำกลางระดับสมาธิความงามอันสูงสุดในระดับปัญญาเข้าถึงความงามในของพระธรรมนั้นให้ได้แล้วเราก็กราบลงไป แล้วเขาบอกกสุปฏิบัติโนภควโตสาวกกรสังโคสงสาวกของพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์สง์คือพระโสดาบันสง์คือพระสกท า, าคาสงคือพระนาคาสง์คือพระละหัน์เห็นไหมท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีคําว่าปฏิบัติดีคําว่าปฏิบัติตรงก็แปลว่าปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิบัติทาเพื่อบรรลุอนุ ป, ปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากปุถุชนผู้มืดบอด เข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ตามพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเราก็กราบลงไปเราได้ทำแบบนี้ไหม <c oughs> นี่การกราบและกราบแบบนี้นะในจุดมุ่งหมายเราต้องการปฏิญญาณตนเองแบบนี้เป็นต้นออวันนี้เราต้องต้องการอยากจะมาบอกในเรื่องของอริยสัจสี่แล้วก็กิจในอริยสัจสี่และทำนะแล้วก็จัดเราจะได้ประพฤติ ท, ทำตามคาสอนพุทธเจ้าได้ถูกถามว่า คำว่าพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของผู้รู้รู้อะไรรู้อริยสัจสี่ฉะนั้นเป็นข้อกำกับชี้บอกความเป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นพุทธบริษัทอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถรู้อริยสัจหรือแทงตลอดอริยสัจมีความฉลาดรอบรู้ในอริยสัจหรือไม่ คำว่าอริยศสตร์เนี่ยพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันทุกคนเนี่ยโดยมากจำกันได้หมดเลยใช่ไหมทุกรู้ใช่ไหมสมุทัยก็รู้อีกนิโรธก็รู้แล้วก็มรรคใช่ไหมทีนี้อยากให้บอกให้สรุปสั้นๆให้เราได้จำพอเป็นใจความก่อนแล้วจะบอกความหมายทีหลังโดยมากเราจะปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่กันไม่ถูกทีนี้สรุปประเด็นสั้นๆให้เราเข้าใจก่อนหนึ่ง ต้องรู้ทันสองสมูทัยต้องละทิง้งสามนิโรดต้องลุ้ถึงสี่มักต้องลงมือทำเออถ้าจาแบบนี้ยากไหมไม่ยากคืออะไรหนึ่งทุกทุกอะไรต้องอะไรต้องรู้ทันสองสมูทัยต้องอะไร ต้องลาทิ้งสามนิโรธต้องต้องลุถึงสี่มักต้องอะไร ต, ต้องลงมือทํำยากไหมอ้าวเดี๋ยวก็อธิบายให้ฟังคำว่าอริยศาสตร์เนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐดีไหมความจริงอันประเสริฐชอบความหมายนี้ไหมความจริงของพระริยะชอบไหมความหมายที่สอง ความจริงอันประเสริฐนี่ความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองคือความจริงของพระอริยะและความหมายที่สามคือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะเราชอบความหมายไหนความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นกลายเป็นอริยะยอมอยากเป็นอริยะไหมอริยะก็แปลว่าอะไรผู้ประเสริฐถ้าอนาริยะแปลว่า อนาริยะไปว่าอะไรผู้ไม่ประเสริฐ <c oughs> ใช่ไหฉะนั้นพวกเราอยากจะเป็นอะไรอ ย, ะอยากจะเป็นอริยะก็คืออยากจะเป็นผู้ที่ประเสริฐฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าถึงความจริงใช่ไหมจะบอกความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะใช่ไหมทีนี้การที่เราจะเข้าถึงความจริงกันประเสริฐสี่ประการได้อันดับแรก อย่าพูดเรื่องทุกให้ฟังยอมพอพูดเรื่องทุกยอมทุกใจัหมพอพูดทุกแค่นี้ทุกแล้วหรือทุกคืออะไรความทุกทุกก็คือความทุกใช่ไหมตรงตัวไหมสภาพที่ทนได้ยากมันเราชอบคำไหนความทุกสภาพที่ทนได้ยาก ไม่ใช่อะไรแปไม่ชอบเลยเราอย่าเพิ่งเอาใจเข้าไปรับที่เอาปัญญาเข้าไปรู้ก่อนดินีย่ยชอบเอาใจเข้าไปรับเรื่อยเลยพวกเราเนี่ยใช่ไหมละ่ะสภาพที่บีบคั้นขัดแยง้งบกพร่องขาดแก่นสารและความยั่งยืนไม่อาจให้ความสมอยากได้จริง<อ>ใช่ไหมดังปรากฏในไห น, นชาติคือความเกิดชรลาคือความแก่ พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายความโศกความรับไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่ใช่ทุกไหมใช่ไหมประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกไหมพัดพลากจากสิ่งที่รักความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกหมดเลยนะโดยย่อกระแสชีวิตเป็นทุกไหมแสดงว่าเราอยู่กับอะไร พ, พูดเรื่องทุกนี้สรุปแล้วก็คือกระแสชีวิตมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนหนึ่งระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมอันไหนทุกมากกว่ากั น, น, นกจริงไหมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหวัวใจตับปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองทุกไหมผมมันทุกหรือมันบอกเราหรือมันทุก ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายมันเป็นทุกยังไงอ่ะจริงๆสภาวะของมันมันเป็นทุกในตัวอยู่มันเองไหมตัวมันเองมันเป็นทุกอยู่แล้วมันเป็นสภาพที่ขัดแย้งไม่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาไหมขาดแก่นสารและขาดและความยั่งยืนไหมมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดใช่ไหมนั่นแปลว่ามันเป็นเป็นทุกในตัวมันเองแล้วไม่เกี่ยวกับความรู้สึก อย่าเพิ่งเอาความรู้สึกไปจับแต่ให้รู้ความจริงก่อนก็คือความทุกข์มันเป็นมันอยู่อย่างนี้แล้วผมมันก็เปลี่ยนแปลงขนมันก็เปลี่ยนแปลงเล็บมันก็เปลี่ยนแปลงฟันมันก็เปลี่ยนแปลงหนังมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดสมองมันเปลี่ยนแปลงมันมีแก่นสารไหมจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลามันบีบคั้นไหมบีบคั้นขัดแย้งในตัวมันเองคือการเกิดดับสืบต่อนั่นเอง ฉะนั้นเอกกรณีแบบนี้คณะสภาว่าเขาเมืนมันเป็นทุกข์มันอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะความทุกข์เนี่ยมันมาเป็นปัญหาตรงที่ ว, ว่าเราเอาใจเขาไปรับแล้วมันมีผลกระทบใช่ไหแล้วเราไปเครียดไปวิตกกังวลกับมันมันเลยกลายเป็นแท้ที่จริงไม่ใช่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วพอเราไปไปรับรู้ด้วยใจเอาใจเขาไปรับ มันก็เลยกลายเป็นทุกยกกำลังสองอเข้าใจยังใช่ไหทีนี้นี่ในส่วนของรูปธรรมมันก็เป็นทุกของมันอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ใจเราไปเอาใจเข้าไปรับอันนี้แปลว่าในเมื่อเราเอาใจเข้าไปรับกับทุกแบบนี้แปลว่าเราปฏิบัติต่อทุกผิดหรือถูกวิธีการจริงๆต้องทำยังไงวิธีการจริงๆต้องทำยังไง ระหว่างเอาใจเข้าไปรับก็เอาปัญญาเข้าไปรู้ควรเอาอะไรญญทุกเป็นหน้าที่ของใจหรือเป็นหน้าที่ของปัญญาต้องเอาเป็นหน้าที่ของปัญญาทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเอาตั้งแต่เด็กก่อนเอาในชาตินี้ในอัตภาพเนี้ในอดีตถามว่ากระแสชีวิตของเรามีอยู่ไหมในอดีตเป็นทุกข์ไหมในอดีต เ, เห็นไหมก็เป็นปัญหาก็เป็นทุกข์ปัจจุบัน ปัจจุบันก็เป็นทุกอยู่ไหมในตัวมันเองแม้กระแสชีวิตมันจะเคลื่อนไปในอนาคตมันก็ทุกภายในเราเป็นไหมภายนอกกูคนอื่นเป็นไหมมันก็เป็นทุกอยู่ดีเห็นไหมทั้งหยาดทั้งละเอียดทั้งเร็วและประนีทั้งไกลและใกล้สรุปแล้วก็คือกระแสชีวิตเนี่ยมันก็รายงานตัวมันเองตลอดเวลาว่ามันเป็นทุกเพราะมันมีสภาพที่ทนได้ยาก เพราะมีภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งบกพร่องขดาดแกนสารและความยั่งยืนด้วยไม่อาจจะให้ความสมอยากได้จริงอา้าวเราเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้ผมมันงอกไหมแล้ว อ, อยากให้ตามฝ้าฟางไห ม, ไมเราอยากให้หูมันตึงไห ม, ไม อ, ยอยากให้ผิวหนังเหี่ยวย่นไหมเห็นไหมเนีย่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นของมันไหมไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นแปลว่ามันกําลังบอกตัวมันเองว่าฉันเป็นฉันเป็นทุกข์ แต่ไม่ใช่ว่าใจเราไปรู้แล้วเราทนไม่ไหวป็นคนละเรื่องกันนคนละเรื่องกันนี่พอมองเห็นไหมเนี่ย น, นี่ให้เข้าใจนี่คือความจริงไ้ยเนี่ย น, นั้นความจริงเหล่านี้เขาเรียกเป็นความจริงของใครเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงที่สัตว์โลกทั้งหลายพยายามหลบหน้าไม่ยอมไปดูมันไม่ยอมใช้ปัญญาไปดูไปเข้าใจเขาสักทีใช่ไพวกเราก็เลยทาตัวเหมือนนกประเภทหนึ่งอะ มันมีนกอยู่ประเภทหนึ่งว่ะมันวิ่งหนีปัญหาปุ๊บมันเอาหัวไปซุกในทรายปุ๊บนั่นมันมันมันหนีทุกได้ไหมมันเจอทรายปุ๊บมันเอาหัวซุกเข้าไปปุ๊บมันคิดว่าโอ๊ยหลอดพ้นแล้วเหมือนบอกเรานี่แหละอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันเวลาเจอทุกันหนีเข้าไปหนีเข้าไปหนีเข้าไปใช่ไหมมดหนีไปถ้าผลที่สุดนกตัวนี้ตายไหมตายไม่ตายไม่เหลือ อันนี้นี่นี่พูดเรื่องทุกให้ฟังก่อนอันนี้พูดเรื่องความจริงว่ามันเป็นวันอย่างนี้ใช่ไหมทุกข์คือการเกิดในขณะที่เกิดในครันเป็นทุกข์ไหมยอมว่าเป็นทุกข์ไหมเยอะยอมอยากกลับไปเกิดใหม่มไหมอยากจะไปถือปฏิสนธิในครันของคุณแม่ใหม่ไหมอา้าประเด็นคืออยู่ตรงว่าเราอยากจะไปเกิดในครันของใครอา้าวในประเทศไทยเนี่ยลองคิดดูที่คันของใครที่เราอยากไปถือปฏิสนธิครันของมนุษย์อยากไปเกิดไหม คันของสัตว์เดรัจฉานคันของเปรตคันของอสุรากายหรืออยากไปเกิดในคันของสัตว์นรกเออ อ, อยากจะไปเกิดก็คันของเทวดาไหมเห็นไมเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าในอัตภาพในการที่เราไปเกิดไม่ว่าไปเกิดในไหนก็เป็นอาการของทุกข์เพราะมันทนในสภาพเดิมไม่ได้แล้วมันก็บีบคั้นขัดแย้งบกพร่องขาดแก่นสารแล้วก็ไม่ยั่งยืนไปต้นสรุปก็คือว่าเห็นไหม ถ้าในส่วนของรูปธรรมเนี่ยจริงๆเราเห็นได้เห็นได้ง่ายหรือยากความเย็นความร้อนก็เป็นอาการกระสับกระส่ายของกายนะหิวกระหายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนั้นบ่งบอกว่า อะไรมันกําลังรายงานเราอยู่ความทุกข์ความทุกข์ ม, กมันกําลังรายงานอยู่มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะมันอยู่แต่เราไม่เข้าใจมันว่านั่นทุกข์นี่มันเป็นความจริงกันประเสริฐแบบนั้นทีนี้เป็นความจริงของพอระารยะและความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงถ้าเราใช้ปัญญาเข้าไปฌานฉลาดไปรู้ไปเข้าถึงมาแล้วเนี่ยกลายเป็นอริยานี่เป็นต้นนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคอยทำกิจกับมันประการที่สองคือทุกขสัมมุทยัยก็แปลว่าเหตุเกิดของทุก การก่อตัวขึ้นของทุกข์เนื่องจากตัณหาสามประการเนาะโยมเคยได้ยินคำว่ากรรมมาตัณหาภวตัณหาวิเพวตัณหาเคยสวดธรรมจักรกับวชตัณฑสูตรไหมกรรมมาตัณหาก็แปลว่าแปลว่าอะไรความทยานอยากในกามอยากได้อยากเสพมีไม่ความรู้สึกแบบเนี้ยีอยากได้รูปที่สวยๆเสียงที่เพ้อๆกลิ่นที่อมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆอยากได้ไหมอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์อยากได้สามี อยากเปลี่ยนจ้ามีอยากเปลี่ยนไหมยองตาอยากเปลี่ยนไหมยังไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนเดี๋ยวฟังอยู่เดี๋ยวละมาอ๋ออยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ทรัพย์อยากได้เงินอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงไอ้ความที่อยากได้อย่างเงี้ยความอยากได้อยากเสพอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากาบมะทันหามีไหมความรู้สึกแบบนี้มีไม่มี แล้วก็อยากจะได้ภาวะที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาว<อ>ทีนี้พอได้สิ่งเหล่านี้มาแล้ว<อ>ก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันถาวรมันมั่นคงมันไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ความอยากแบบนี้มีไห ม, มไอ้ความอยากอย่างนี้ภาษาพาก็เรียกภาวะตัณห า, าทีนี้เวลาไปเจอกับความแก่เจอกับความเก็บเจอกับความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเราอยากจะพ้นไหมอยากจะพ้นสิ่งเหล่านี้ อยากให้สิ่งเหล่านี้มันพากแล้วมันพ้นไปไอ้ความอยากอย่างนี้เขาเรียกวิภาวะตัณหาเนี่ยนะนี่ว่าเต็มกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกตัณหาสามมันเกิดขึ้นกับเราตลอดไหมในขณะที่อยากได้อยากเสพอยากเอามาบุมเลออัตตาตัวตนก็จะถึงเป็นการมาตัณหาอยากให้ภาวะที่เราอยากและต้องการมันคงทนและถาวรเป็นภาวะตัณหาเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแปลปวนไปเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันแปลปวนไปนี่เขาเรียกว่าเป็นวิภาวะเนาะ สรุปแล้วตัณหาตัณหามันมีอะไรเป็นเป็นจุดหมายเป็นเป้าประสงค์ความอยากเนี่ยมีเวทนาเป็นจุดหมายจริงไหมมันต้องการสุขเวทนาแล้วมีอะไรเป็นมีอะไรมันมีอัตตาตัวตนเนี่ยเป็นเป็นแกนกลางแล้วมีอะไรอยู่เบื้องหลัง มีความไม่รู้มีโมหะเพราะไม่รู้ในเด็กมีความไม่รู้อยู่เบื้องหลังฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันต้องการเวทนาแล้วก็ต้องการอยากจะได้สีเสียงรสกลิ่นรสทั้งหลายนะี่ยมาตอบสนองอัตตาตัวตนจึงมีอัตตาตัวตนเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางมีโมหะคืออวิชชาคือความมืดบอดนี่เป็นเป็นอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นตัวปกปิด ฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เป็นสมุทัยหมดเลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีอะไรบ้างอะความโลภก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความโกรธก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหลงก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมทั้งความความหดหู่ท้อถอยทั้งหลายเหล่านี้ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยกลุ่มกิเลสทุกกลุ่มจัดเป็นสมุทัยหมดเลยเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุของทุกข์อันนี้เป็นเป็นอริยสัจข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สองใช่ไหมข้อที่สามต่อไปเร็วๆ นิโรธทุกขนิโรธก็แปลว่าความดับทุกข์ภาวะที่บำราดตัณหาไม่ขึ้นต่อตัณหาภาวะที่เข้าถึงความกำจัดอวิชชาดับสิ้นตัณหาแล้วไม่มีอะไรย้อมจิตให้ติดข้องเลยไม่ถูกตัณหาครอบงำชักจยงมีปัญญาเป็นอิสระหลุด พ, พ้นพลได้สงบปโปร่งโล่งพองใสไร้ทุกข์อันนี้คือนิพพานนิพพานคือว่าโลภะมันดับมันนิพพานก็คือมันดับท้าวรเลยความโกรธ ด, ดับ ท้าวรความหลงดับอย่างท้าวรเราอยากเข้าถึงภาวะนี้ไหมอยากให้กิเลสมันนิพพานไหมเรากลัวจะเสียเปียกคนอื่นเนี่ยถ้ากิเลสนิพพานกลัวไหมกลัวไม่กลัวเห็นไหมพระพุทธเจ้าทําให้กิเลสให้นิพพานก่อนใช่ไหมตอนที่ตัสรุนุตรสัมมาสัมพธิยานได้ต้ยตอนภาษีมหาโพธิ์ที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาลาที่ตะบนอุรุเวลาเสนานิคมได้ตัสรุษวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก ทำอะไรให้นิพพานก่อนทำกิเลสคือราคะนิพพานโทสะนิพพานโมหะให้นิพพานพอโรพะโทสะโมหะนิพพานปุ๊บกระแสกระแสขันกระแสชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดจดเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปปุตลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายไม่ไม่ไม่มีถูกสลัดทิ้งหมดเลยนี่เรียกนิพพานอยากไหมอย่างนิพพานอย่างนี้ไหม นิพพานก็คือเป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดพ่องแผ้วไร้มนทินนี่คือทุกขานิโรธอภิการต่อมาคือทุกขานิโรธถ้าคาเมณีปฏิบฏัตาก็คือปฏิบัติก็แปลว่าอะไรข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความดับทุกข์ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยะอัตถังคีกามารกเนี่เราจะเรียกมาร์กแปดหรือมาร์กมีองแปดใครใครเรียกมาร์กแปดยกมือขึ้นดิจะเรียกมาร์กแปดหรือมาร์กมีองแปด ใครบอกคิดเองปะ่ะมาร์กแปดหรือมารคมีองค์แปดมาร์คมีองค์แปดคำว่ามาร์กแปลว่าทางใช่ไหมถ้ามาร์กแปดปลว่ามีทางกี่ทา ง, ทางแต่จริงๆทางที่จะไปถึงความพ้นทุกมีกี่ทางทา ง, ทางเดียวมารคมีองค์แปดแปลว่าธรรมะทั้งแปดองค์มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดําริชอบ สมาวาจาการกล่าววาจาชอบสมากรรมตการกระทําชอบสมาอชีวะเลี้ยงชีพชอบสมาวายามะเพียรชอบสมาสติระลึกชอบสมาสมาธิความตั้งมั่นชอบเนี่ยแปดองค์เนี่มารวมกันเป็นมัคคสมางคีแล้วก็ดําเนินไปตามมชิมาปฏิปทาคือทางสายเดียวงั้นใครว่ามัคแปดแปลว่ามีทางบนทุกแปดทางมีกี่ทางทางเดียวทา ง, ทางถ้าเป็นการมสุขหาลิกานุโยคเคยได้ยินคํานี้ไหม การติดแน่นมัวพัวพันอยู่ในกามาสุขในกาลมาคุณเคยเป็นไหมติดแน่นในรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆชอบเที่ยวห้างไหมชอบดูหนังฟังเพลงไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกกามาสุกกาลมาคุณดีไหมเที่ยวทะเลดูหนังดีไมด่ดีชอบไหมเราอาศัยว่านี่เขาเรียกว่าหมกมุ่นในกาลมาสุข อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออัตตกิลามาฐานโโยกเราเป็นคนชอบทําตนให้ลําบากไหมชอบไม่ชอ บ, ชอบว่าเรามีคนด่าแล้วเราก็กลับมาดา่าตัวเองร้อยรอบเคยเป็นไหมเคยคือว่าพอพอเราไปพอเขาด่าเราเขาตําหนิเราเขาว่าเราแล้วก็เอาสัญญาจําในเรื่องที่ไม่ดีไว้แล้วก็มาเก็บไว้ในใจแล้วพอได้เวลาเราก็ดึงเรื่องนั้นขึ้นมาปั่นใจเราหมุน ว่าเราได้ยังไงเราเราเป็นคนดีขนาดนี้เขายังไม่เห็นความดีของเราคนอย่างนี้มันก็คบกันไม่ได้อย่างนี้ก็เ ป, เป็นไหมเป็นไหมเวนลักษณะนี้ก็กลุ่มอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดขรกปุงแต่งทุกเป็นไหมพอปุงแต่งทุกนี่ปุงแต่งสุขได้ไห ม, มเราชานาญในการปุงแต่งทุกหรือปูงแต่งสุข โดยส่วนใหญ่ปรุงแต่งสุขหรือปรุงแต่งทุกใช่ไหมบางทีเรื่องราวผ่านมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอามาหมุนไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่งเออทุกวันนี้มีโรคมีโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือใช่หลายคน<ป>มันไม่ใช่ว่าความสุขไปอยู่ที่ทรัพย์อยู่ที่ชื่อเสียงแล้วคนที่ฆ่าตัวตายมีทรัพย์ก็มากมายชื่อเสียงก็โด่งดังตั้งหลายเหล่านี้นี่บ่งบอกให้เห็นชัดว่าเขาใช้ความสามารถไปในทางที่ทผิดใช่ไหม เราเคยได้ยินข่าวสุนัขฆ่าตัวตายมหมไม่เคยเลยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่สุนัขความสามารถในการปรุงแต่งทุกข์เขาไม่มากไม่ใช่ความสามารถเขาไม่ถึงมนุษย์เราเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าไม่มีนะ สุนัขโดนด่าโดนไล่ออกจากบ้านเขาเสียใจวิ่งไปที่สะพานโดดน้ำตายเขาได้ยินข่าวไหมไม่ ม, ไมีไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่คนมีไหมได้ยินข่าวนี้แสดงให้เห็นชัดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพ่คือถ้าเราใช้ความสามารถของเราไปปรุงแต่งทุกมันจะปรุงแต่งทุกได้อย่างมากมาย แล้วจะเบียดเบียนบีบขั้นตัวเองกดเกิดระบบการขัดแย้งภายในแล้วก็เครียดแล้วก็ทุกข์มีความเศร้าโศกซึมเสียใจหงอยเหงาคิดจนตนเองเป็นบ้าก็ได้เนี่ความสามารถขนาดนั้นและในทางตรงกันข้ามสามารถจะปรุงแต่งสุขนะปรุงแต่งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลปรุงแต่งพรปฐมฌานทุเดียวฌาน ตัดยาชานจดดรสชานปรุงแต่งชานที่หนึ่งสองามสยห้าหกเจ็ดปดก็ได้ปรุงแต่งชานดับิญญาให้เกิดขึ้นก็ได้สุขทุกระดับเนี่ยมนุษย์สามารถปรุงแต่งได้หมดเลยจนถึงนิพพานสุขแต่มนุษย์โดยมากไม่รู้วิธีว่าจะปรุงแต่งใช้ปัญญาตนเองไปปรุงแต่งยังไงหรือพัฒนาปัญญาตนเองให้เข้าถึงความจริงนั้นยังไงเนี่ยความสามารถไปถึงสรุปก็คือว่าปฏิปทาก็คือว่าทางสายกลางเนี่ย เขาเรียกมัชชิมาปฏิปทาเขาเรียกลงสรุปลงก็คือไตรสิกขาย่อลงนะก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าบอก 8, มรรควิองแปดจำยากั้มถ้าบอกศีลสมาธิปัญญายากไหม ง, ง, ง่ายลงย่อลงอยู่ไหมทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงว่าเอาแล้วเรารู้แล้วทุกคืออะไรสมุทยัยนิโรธมรรคคืออะไรเดี๋ยวย่อนะเอาต่อไปพูดถึงเรื่องกิจโดยมากเนี่ย กิจในอริยสัจนี่หน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละอย่างแต่ละข้อเนี่ยเราโดยส่วนใหญ่เราจะผิดพลาดกันในสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเสร็จในกิจของอริยสัจข้อแรกเขาบอกว่าอริยสัจในข้อแรกเนี่ยบาลีเขาว่าไงทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยังแปลได้ไหมทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยังแปลว่าอะไรทุก ทุกเนี่ยควรอะไรควรกําหนดรู้คําว่าปริญยปริญญาเนี่ยปริญเยออย่างศัพท์นั้นน่ยก็คือคําว่าปริญญานี่ยเองได้มาพวกเราได้ปริญเรียนเกบปริญญากันไหมปริญญาอย่างนั้นก็เรียกปริญญาทางโลกแต่ปริญญาทางธรรมเปนชื่อของปัญญาตรงนี้ท่านบอกว่าการกําหนดรู้เนี่ยเป็นกิจในทุกก็หมายความว่า ทุกคนกำหนดรู้หรือควรศึกษารู้จักให้เข้าใจชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงได้แก่การทำความเข้าใจและการกำหนดขอบเขตของปัญหานั้นให้ชัดสรุปแล้วทุกเนี่ยเป็นหน้าที่ของใจหรือเป็นหน้าที่ของปัญญาทุกเป็นหน้าที่ของใจหรือเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญหาเนี่ยเวลาเราเห็นปัญหาเจอปัญหาประสบปัญหาปุ๊บเราควรเอาใจเข้าไปรับหรือเอาปัญญาเข้าไปรับ นะต่อไปท่องเลยนะเปลี่ยนปัญหาเป็นอะไรก่อนใช่เปลี่ยนพยัญชนะก่อนนะเวลาเจอปัญหาปุ๊บเปลี่ยนเดียเด๋ยวเดวีอย่าเพิ่งขอเปลี่ยนพยัญชนะก่อน <laughs> เปลี่ยนจากปัญหาเป็นปัญญ า, ญญาเอาปัญญาเข้าไปรับเอาปัญญาเข้าไปรู้เอาปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะทีนี้พอปัญญาเข้าไปรับไปวิจัยปุ๊บขึ้นมาเป็นยังไงตอนนั้นใจเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็น จะเป็นได้ไงแต่ถ้ า, าใ จ, จไปรับสิทท น, นะมันจะบีบมันจะเบียดเบีย น, บ, ยนบีบคั้นทันทีเจ็บปวดทันทีใช่ฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ทีนี้มันก็เลยขั้นตอนต่อไปคือว่าเห็นทุกด้วยปัญญาตอนนั้นใจจะเป็นยังไงใจเป็นสุขหรือเป็นทุกใจมันก็เป็นสุขสิใช่ไ ทุกเนี่ยมีไว้สําหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สําหรับเป็นใช่ไหมสุขมีไว้สําหรับอะไรเออสุขมีไว้สําหรับเป็นใช่มฮะเอาตอนที่พระเจ้าตัดสรุป ค, ความจริงพระเจ้าเห็นทุกปุ๊บพระเจ้าเบิกบานไหมเบิ ด, ดบานผ่องใสเลยล่าเริงมากปีติปลาโมดเกิดทันทีเอาสมมุติถ้าเรารู้ว่าสามีไปมีภรรยาใหม่ปุ๊บ เป็นไงปีติเกิดเลยไหมไม่ทําไมทําไมปีติไม่เกิดล่ะก็เห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขไงอ่พอมีคนโทรมาว่าไฟไหม้บ้านแล้วเป็นไงไม่ไม่ชื่นใจอใจได้บ้านใหม่ไอหลังเก่าน่าจะไหม้ไปตั้งนานแล้วไม่คิดอย่างนี้เลยไอทําไมน่าทําไมไม่เป็นกันเห็นปัญหาเห็นทุกข์แล้วใจมันต้องเป็น สุกสิเขาบอกว่างี้ตัวปัญหาหรือตัวทุกไฟเนี่ยไฟที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยเหมือนทุกใช่ไหมไอ้คือปัญหานี่เองหรือไฟเนี่ยที่ปริมาณไฟเนี่ยมันไฟของไมมกองขยะใช่ไหมไฟไหมบ้านไฟไหมเมืองปริมาณของไฟมันเท่ากันไห ม, ไมปริมาณของปัญหามันเท่ากันไหมปริมาณของทุกมันเท่ากันไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วเหตลุล่ะ เหตุของปัญหาก็คือเหตุที่มไฟไหม้เพราะอะไรอะไรเป็นเป็นเหตุให้ไฟไหม้น้ำมันเอ่ยเชื้อไฟฟืนเอ่ยหญ้าแห้งเอ่ยใช่ไหมเออถ้าเห็นหนึ่งไฟไหม้สองเหตุที่ทําให้ไฟไหม้ก็คือพวกน้ํามันเป็นต้นอ่าถ้าวางจุดหมายเขาไว้จุดหมายก็คือนิโรธนี่แหละเราจะดับไฟยังไงอันนี้คือจุดหมายใช่ไหมก็วางว่าเออเนี่ยขั้นตอนที่สุดเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเนี่ยหนึ่งไฟเราก็ไม่ต้องไปทําอะไร ก็รู้ว่าปริมาณไฟมันแค่ไหนสองเหตุที่ทําให้ไฟมันลุกโพร่งขึ้นมาแล้วก็ต้องดูเชื้อมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาเห็นปุ๊บเราก็วางจุดหมายว่าเราจะดับไฟยังไงแต่ขั้นตอนเราทําทําข้อสุดท้ายคือมาร์คคือวิธีการจะใช้ถังดับเพลิงจะใช้น้ําจะใช้รถดับเพลิงหรือจะใช้ร ะ, ระบบเท่านั้นไหมเมืองก็ใช้ระดับเครื่องบินที่จะเอาสารเคมีไปโปรอยอยังไงก็ว่าไปใช่ไหมหลักการในวิธีการมันยากตรงวิธีการเดี๋ยวบอกไป นี่นี่พอเข้าใจอย่างว่าทุกเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะตัวปัญหาเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพของปัญหาสภาพของความทุกเนี่ยปัญหาในอดีตในอดีตเป็นปัญหาได้ไหมเป็นไม่เป็น มันก็เป็นปัญหาที่ตัวมันเองอยู่แล้วปัจจุบันก็คือปัญหาอนาคตก็คือปัญหาใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเราสามารถที่จะพัฒนาปัญญาก็ไปรู้จักปัญหามากน้อยได้แค่ไหนอย่างเป็นต้นอันนี้เดี๋ยวรู้ตรงตรงนี้ก่อนนะว่าจริงๆเรายังไม่ต้องไปทําอะไรมันเพียงกําหนดขอบเขตให้ชัดจับตัวมันให้ได้ปัญญาก็ไปรู้ชัดรู้ทั่วรู้รอบรู้ลึกรู้โดยประการอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือพัฒนาเลยปัญญาที่ต้องเข้าไปรู้ขอบเขตของปัญหาแน่ๆชัด ประการที่สองทุกขสมุทัยทุกขสมุทยอริยสัจจังปหาตัพังก็แปลว่าสมุทยสัจจะควรอะไรปรหาตัพังก็คือควรละควรประหารควรกําจัดควรทําให้หมดสิ้นไปการแก้ไขกําจัดต้นตอของปัญหาอันสมุทัยคือตัณหาคืออะไรโลภะเป็นสมุทัยไหมความโลภเป็นเหตุของทุกขไหม โทสะเป็นเหตุของทุกข์ไหมโมหะอวิชชาเป็นเหตุของทุกข์ไหมควรละหรือควรเจริญ<ะ>เวลาเราเห็นเห็นเห็นสามีไปไปมีแฟนใหม่<ะ>ตอนนั้น<ะ>ตอนนั้นเรา<ะ>เราเกิดโทสะไหม<ะ>เราควรให้โทสะเกิดหรือควรละโทสะเห็นไหมเราไปบิดาทผิดเลยนะ ถ้าเราไปเจอสถานการณ์ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยโทสะขึ้นปุ๊บปุ๊ป๊บขึ้นมาแปลว่าเราปฏิบัติกิจในอริยสัจผิดใช่ไหมข้อสองมันควรละนี่ทุกขสมุทยอริยสัจจังประหาตัพังควรประหารควรละคนกําจัดจริงๆริงไหมเองเนี่ยเห็นไหมพอมองเห็นหรือยังมาเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บแล้วเราไม่พอใจโกรธขึ้นมาใ น, นขณะที่โกรธนั้นแปลว่าเราใช้อริยสัจข้อไหนข้อที่สองควรละไหมความโกรธเนี่ย ควรละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีๆนิดเดี๋ยวให้รู้ก่อนนะกิจ ค, ควรละแต่เรายังไม่ต้องไปทาอะไรกับมันก่อนส่วนนิโรธทุกคนิโรธโอเดียสจังสัจิกาตะพังนิโรทะนิโรธเนี่ยควรทำให้แจ้งควรเข้าถึงควรบรรลุได้แก่การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการอันนี้ควรทำให้แจ้งควรลุถึงใช่ไหมนิโรธเนี่ย นิโรธก็คือสภาวะที่ดับปัญหาดับเหตุของปัญหาปัญหาดับเหตุที่ก่อให้ปัญหามันดับตัวมันลงนั่นแหละสภาวะนั้นคือแบบนิโรธถ้าความโลภมันดับความโกรธมันดับความหลงมันดับแปลว่าเข้าถึงนิโรธไหมนั่นแหละคือนิโรธใช่ไหมอันคือจุดหมายแต่เรายังต้องเรายังไม่ต้องไปทําอะไรกันมันก่อนนะวิธีการแก้ปัญหามาข้อสุดท้ายนี่แหละเขาเรียกว่า ทุกขณิโรทักคาบินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตบพังแปลว่าอะไรมักควรเจริญคำว่าควรเจริญก็คือควรลงมือทำนี่เลยต้องลงมือทาควรฝึกอบรมลงมือปฏิบัติทำตามวิธีที่นำไปสู่จุดหมายแต่แก่การลงมือแก้ไขปัญหาสรุปแล้วเราทำข้อเดียวเข้าใจยัยงทุกควรอะไรทกต้องอะไรทกต้องรู้ทัน สมุไทยต้องล ะ, ละทิง้งนิโรธต้องโลถึงมักสรุปแล้วเราปฏิบัติข้อไหน ข, ข้อเดียวปฏิบัติข้อเดียวที่ผ่านมาเราเราปฏิบัติกิจในอริยาศาสตร์ผิดแล้วก็ปัญหาก็ตามมาเช่นกลับไปบ้านปุ๊บถ้าเกิดไปเห็นหน้าสามีเห็นหน้าภรรยา แล้วเขาแสดงปฏิกิริยาใส่ที่ไม่งามในขณะนั้นเราต้องมาตั้งหลักในอริยาศาสตร์ก่อนว่าทุกข์ควรอะไรทุกต้องรู้ทันไงตอนนี้ทุกกำลังแปลปวดนี่เห็นแล้วใช่มสมุทัยต้องลาทิง้งนิโรดต้องรู้ถึงมรรคต้อง<ล> ก, ก็คือต้องเดินปัญญาควรมาเจริญข้อมรรคใช่ไหมเจริญปัญญา พอไปเห็นเขาหน้างหงิกหน้างงล้วต้องเจริญปัญญาแล้วพิจารณาอย่างไงมาพิจารณ า, างไงดีถ้าเราไปโกรธแปลว่าเราใช้ข้อไหนข้อไหนอริยศา ส, าศาสข้อไหน ข, ข้อสองแปลว่าเราทำกิดผิดหรือถูกต้องลาทิ้งไงเราให้มาทำข้อสี่ต้องลงมือทำลงมือทำก็คือใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาทันทีแล้วก็ต้องเตือนตรงนี้นะต้องสมาทานตั้งใจบ่อย ทำมาร์กสัญญาก็าไว้บอกเอ้ยทุกต้องรู้ทันสมุทัยต้องละทิ้งนิโรธต้องรู้ถึงมาร์กต้องลงมือทำในมาร์กนั้นมีชื่อของปัญญาอยู่ด้วยใช่ไหแล้วในเพราะมาร์กข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมปัญญาใช่ั้มความเห็นชอบข้อที่สองคือสัมมาสังกปะก็แปลว่าอะไรดําบิดัมบีชอบดัมบียังไงถ้าดําริ ดําริออกจากกามดําริไปในเมตตาดําริในกรุณาเนี่ยเขาเรียกเห็นไหมดําริอย่างเงี้ยเอาอย่างยกตัวอย่างเรานั่งไม่ใช่เรื่องจริงที่พวกเรานั่งกันอยู่เวลาเรามองมาที่พระแล้วคิดคิ ด, คดเห็นหน้าพระแล้วคิดเวลาเห็นหน้าพระเนี่ยเราควรเจริญอริยสัจข้อไหนควรเจริญอริยสัจข้อไหน ข้อไหนเนี่ยมองมาที่พระเดียยนีย้เราจะเจริญอริยศาสตร์ข้อไหนทกสมุทรไทยนิโรธหรือมรรคข้อไหนข้อ4่ใช่ไหมอาเจริญยังไงลองเจริญออกมาดังๆให้พระฟังหน่อยทีคิดมาที่พระแล้วคิดอย่างนี้ได้ไหมคิดบอกว่าขอให้ท่านจงมีความสุขมีอายุยืน ขอให้ท่านดาเนินขอให้ท่านประพฤติปฏิบัติดําเนินกระแสชีวิตไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเข้าถึงอนุปาทาปรินิพานโดยสะดวกโดยเร็วคิดงี้ได้ไหมคิดอย่างนี้เป็นเป็นมาร์คข้อไหนเป็นสัมมาทิฏฐิไหมเป็นความเห็นชอบไหมเป็นความดํำริชอบไหมเออดําริในการดําริเมตตาไงดําริเขาเรียกว่าอาับอัพยาปาธาสังกปะดํำริไม่พยาบาทท่านดํำริไปในเมตตา ไอ้ตำรีในลักษณะนี้แปลว่าเราเดินมักเราลงมือปฏิบัตินี่มัดเข้าใจยังลงมือทำานี่เนี่ยเราทำแล้วเราเจะเดินแล้วเราฝึกอบรมไม่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันทำในชีวิตจริงได้ไหมอา้าวเวลาเราไปเห็นกลับไปที่บ้านพบเห็นสามีเอาเมียน้อยขึ้นไปท้อไปนะขึ้นไปในบ้านสมมตินะเราจะเจริญเราจะเจริญมัดข้อไหนจะทำไง เดินสมาธิถี่ได้ไหมปริจารณาได้ไหมว่าพระปัญญาเกิดขึ้นบอกว่าพิจารณาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมได้ไหมได้ไหมทํมาไมไม่ได้อ่ะตอนนั้นเราจะไปเดินสมูทไทยไหมโกรธขึ้นมาถ้าโกรธก็เป็นสมูทไทยท้าท่านสอนว่าไงสมูทไทยต้องต้องละทิ้งใช่ไหมให้มาเจริญข้อไหนข้อมัด ข้อที่สี่ก็ใช้ปัญญาที่พิจารณาว่ามองแล้วก็วางตรงนั้นต้องต้องดึงอุเบกขาขึ้นมาใช่ไหมทำสมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นมาพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะต่อต่อเดี๋ยวดี๋ยวฟังพระก่อนทีพระจะบอกว่าสอนอพระว่าเจริญสมาทิฏฐิก็พิจารณาว่าอ๋อเขาทำกรรมแบบนี้คือเขา เรียกเขามาถามนี่ตกลงคุณคุณต้องการจะมีภรรยาใหม่ใช่ไหมถามเขาเลยเขาก็บอกว่าใช <c oughs> <c oughs> ่แสดงว่าคุณไม่ต้องการฉันใช่ไหม <c oughs> เขาจะตอบว่าไงเขาบอกว่าใช่ <c oughs> กรอดไหมกรนะอดไหกรอดไม่กรอด ตจริงอ่ะถ้าเราถ้าระวางใจเป็นกลางนะว่าจริ ง, รงๆเขาทําผิดหรือเราทําผิดเขาหรือเราอ่ะในขณะที่เขาประพฤติผิดจริงเขาดีทําผิดเขาทําผิดข้อข้อกรรมเองไงเขาทําผิดศีลข้อที่สามใช่ไหมล่ะกรรมที่เขาทําถามว่าบาปมันให้ผลเขาหรือให้ผลเราเราให้ผลเขาไม่ใช่ Who who เราจะไปทุกได้ยังไงเราได้ทำชั่วหรือเปล่าเขาทำชัว่วคนทำชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่ไปนะใช่ไหมเพราะคุณทำผิดน şey ี่เราก็อย่างนี้ชัดเจนไหม ฉันจะไปเสียใจทําไมเพราะชีวิตฉันทำความดีมาตลอดใช่ไหมละ่ะนี่นี่พิจารณาไปตามเหตุและผลตามกรรมและผลของกรรมไงเมื่อเขาทํากรรมไม่ดีก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นๆใช่ไหมเอาทพิจารณาอย่างนี้ปัญญาเกิดได้จริงไหมแต่พวกเราโดยมากไม่เคยแก้ปัญหากันแบบนี้ใช่ไหมเออโวยวายขึ้นมาเราไปใช้ข้อสองกันอยู่เรื่อยๆในอริยสัจอันนี้มันหรือปัญหานี้มันคือจะรุนแรงไปหรือเปล่าเราอยากให้เป็นแบบนั้นไหมไม่อยากเลยใช่ไหม นี่ประเด็นก็คือต้องการให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามรคเนี่ยต้องลงมือทําโดยส่วนใหญ่เราจะปฏิบัติกิจในอริยศาสตร์กันผิดข้อเห็นไหมเราไม่ต้องไปทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเราทําแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวก็ถือว่าทากิจในอริยาสตร์ครบเราทาปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไมให้เห็นความจริงปัญญามีสองระดับ ปัญญาที่เขาไปรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลตลอดถึงตัววิปัสนาปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงนั้นก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคือว่านี่เนี่ะพอปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมแทนที่แต่ก่อนเนี่ยเราอยู่กับความเห็นแต่การเจริญในอริยสัจเนี่ยเขาให้เจริญปัญญาเหมือนการดําริเนี่ยมันมีดําริสองอย่างถ้าดําริไปในกามเช่นรูปสวยๆเสียงพ่อๆกลิ่นน้องหอมเนี่ยดำริอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามสังกัปปะ ดำรีไปในพยาบาทโกรธอาฆาตพยาบาทเขาเกลียดเขาเนี่ยนี่เป็นพยาบาทสังกปะหรือคิดให้เขาวิบัติคิดให้เขาประสบความเสียหายอย่างนี้เขาเรียกวิหิงสาสังกปปะอย่างนี้ดำรีผิดหรือถูกนี่ดำรีผิดถ้าดำรีถูกก็คือดำรีออกจากการรมดำรีในการสละในการให้ในการแบ่งปันไอ้ดาริอย่างเนี้ยเป็นสมาสังกปะที่เป็นเนคขมะนะดาริ อีกอย่างหนึ่งก็คือดํำริไปในเมตตามีความรากักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนเคยไหมเออเวลาเราคิดถึงใครเราเคยให้เมตตาไปด้วยไหมคิดเป็นไหมมันไปได้จริงมีความสุขไหมเวลาคิดแล้วเมตตาเกิดเ อ, าอ้ายังคิดมาที่พระปุ๊บแล้วปรารถนาให้พระมีความสุขมีอายุยืนปรารถนาให้ท่านมีอายุยืนปรารถนาให้ท่านดําเนินกระแสชีวิตไปตามมรรคาของพระชิณเจ้าแล้วก็ปรารถนาให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ถ้าคิดอย่างเนี้ย ใจเรามีความสุขไห ม, ยมอย่างนี้คเครียกเมตตาเอาเหมือนถ้าฉันมาที่เราเนี่ยคิดว่าฉันตำลีแบบไหนถ้าฉันควรจะเมตตาหรือกรุณาเอาเวลาฉันมาอยู่ต่อหน้าพวกเราเควรจะเมตตาหรือกรุลนาเมตามตาหรือกรุลน า, าหรือควรจะอุเบกข า, าใน คือคือข้อมาร์กเนี่ยไม่ใช่แค่มาร์กแปดไม่ใช่แค่ศีลสมาธิปัญญานะไม่ว่าจะเป็นหลักพรหมวิหารก็อยู่ในมาร์กหลักในอิทธิบาทสี่อินทรีย์พระทั้งหลายเหล่าเนี้ยหรือหลักศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญากลุ่มบวกนี้กลุ่มเหล่านี้ทั้งหลายนี่เป็นมาร์กกสัจจะหมดเลยนะเป็นข้อมาร์กที่เราควรเจริญที่ประเด็นคือว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าถามผมพูดถึงหลักหลักการเจริญในชีวิตจริงเนี่ยถ้าถามว่า เออใครใครต้องได้ดูแลแม่ไหมดูแลพ่อดูแลสามีดูแลใช่ัหมเราเคยทำอาหารให้สามีแล้วสามีไม่กินเราโกรธไหมโกรธไม่โกรธเคยตักน้ำให้เขาไหมถ้าเขาไม่กินน้ำเราโกรธไหมเคยจัดยาให้เขาไหมถ้าเขาไม่กินยาโกรธไหมเคยซักเสื้อผ้าให้เขาไหมแล้วซักปุ๊บเขาไม่ชมเราโกรธไหมไม่โกรธเลยใช่ไหมถูบ้านเคยไหม ทูเสร็จปุ๊บเขาไม่เคยชมเราเลยเนี่ยกอดไหม<น>เห็นไหมว่ากรณีอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ภรรยาและสามีบางทีการปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นข้อมักทั้งหมดเลยนะการดำเนินไปตามศีล<ค><ณ>อยมโดยมากที่มานั่งเป็นยมผู้หญิงส่วนใหญ่ยมผู้หญิงเคยรู้ไหมว่าเรามีทุกกี่อย่างรู้ไหม ยอมเคยรู้ไหมตัวของยอมเองมีทุกี่อย่างอะยอมผู้ชายเคยรู้ไหมว่าผู้หญิงมีทุกี่อย่างกลับไปไปถามสามีนะให้ไปบอกด้วยนะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าตัวฉันมีทุกกี่อย่างฉันยังไม่รู้เลยพระบอกฉันฉันต้องรู้ <c oughs> <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ไม่ไม่ใช่ทุกอย่ง <c oughs> เอาข้อแรกนะผู้หญิงที่แต่งงานเนี่ย ที่มอบกายและใจหรือว่าแต่งงานที่ยอมที่จะไปอยู่กับผู้ชายเนี่ยความทุกข์ข้อแรกของผู้หญิงคือความทุกขในการที่ต้องจากพ่อแม่ปู่ตายายญาติมิตรไปอยู่กับฝ่ายชายโดยการคิดว่าผู้ชายคนที่เราไปอยู่ด้วยเขาจะนําพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางที่สมปรารถนาและสมหวังนี่เป็นความทุกข์ความกังวลของผู้หญิงข้อแรก ฉะนั้นผู้ชายต้องรู้ความหวาดหวั่นในใจของผู้หญิงคนนี้ให้ดีสำหรับผู้ชายที่แต่งงานเนะเดี๋ยวยมก็ไปบอกสามีได้คนนี้ใ ช, ใช่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่าทำให้ผู้หญิงเขาผิดหวังอย่าทำให้เขาเสื่อมศรัทธาแตควรจะทำยังไงอผู้ชายที่จะไม่ทำให้ผู้หญิงผิดหวังเพราะผู้หญิงชอบชอบผิดหวังนี่ทำไงดีตื่นขึ้นตอนเช้าก็ต้องบอกเขา เออนี่เธอเลือกคนผิดเออเลือกคนถูกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมที่เธอเลือกฉันเนี่ยถูกแล้วนั้นจงมั่นใจเข้าไว้ฉันจะไม่ฉันจะนำพาชีวิตของเธอไปสู่จุดหมายปลายทางให้สมหวังให้ได้สมปรารถนาอย่างที่เราตั้งใจให้ได้เงี้นะนั้นผู้นี้ผู้ชายต้องต้องเข้าใจในขอน้อนี้ส่วนรายละเอียดก็ไปว่ากันดีสองความทุกข์ของผู้หญิงก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยมีกรรมชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนละครั้งนี่เป็นกรรมที่สั่งสมมาในสังสารวัตเป็นเหตุทำให้หญิงเนี่ยจะมีความปแ ป, ปลปวดในร่างกายอย่างนี้เมื่อมีความปแปลปวนในร่างกายนี้ผู้หญิงจึงมีความหงุดหงิดง่ายเพราะอะไรธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมของผู้หญิงจะมีความปแ ป, ปลปวนง่ายกว่าผู้ชาย <Sab es> <S <S เพราะมีภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี้แหละฉะนั้นความหงุดหงิดก็มากความเครียดก็ง่าย หงุดหงิดง่ายเครียดง่ายใจน้อยขี้หงุดหงิดจุกจิกจู้จี้มันจะตามมาอีกเยอะแต่อย่าเอาเหตุนี้เพื่อไปจุกจิกจู้จี้นะที่พูดไม่ใช่ไปเออดีแล้วเราจะได้จุกจิกจู้จี้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนีพูดให้รู้ว่านี่คือความทุกข์ของผู้หญิงผู้ชายต้องรู้ไหมถ้าไม่รู้ผู้ชายก็ปฏิบัติต่อเราไม่ถูกต้องรู้ว่าเออในที่ทึบภาวะเธอเป็นแบบนี้เพราะเกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายแบบนี้ผู้ชายจะได้วางท่าทีทางใจยังไงแนะนํายังไงชี้บอกยังไงเนี่ เคมักพื้นฐานนะข้อที่จะต้องมีปัญญาเข้าไปรู้ในการปฏิบัติกิจต่อกันข้อที่สามก็คือตั้งครรภไงใครใครเคยตั้งครรภไหม เ, เนี่ยกรณีแบบเนี้ยการที่ตั้งครรภนี่แหละภาวะความความที่จะต้องมีชีวิตหนึ่งเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยภาวะความหงุดหงิดเยอะมากความวิตกกังวลก็มากผู้ชายต้องฉลาด ในการที่จะต้องให้ข้อมูลยังไงปลอบประโลมยังไงแล้วก็ทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมีจิตใจที่ผ่องใสล่าเริงเนี่ยผู้ชายต้องเก่งในการที่จะให้ข้อมูลตรงนี้เพราะมีผลกระทบสองเลยนะหนึ่งผู้หญิงสองเด็กในท้องฉะนั้นถ้าผู้ชายไม่ฉลาดไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้คำแนะนำบอกแล้วก็ มีทักษะในการมีวิธีการในการที่จะบอกให้ผู้หญิงได้ได้ดําเนินความคิดได้กระทำการความคิดยังไงที่เป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามเนี่ยนะเขา้านะเข้าก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือทุกจากการคลอดเลี้ยงบุตรเนี่ยตรงนี้ผู้ชายก็จะต้องไม่เอ า, เาใจใจตัวเองดูแลช่วยเหลือเปรอแพ e r ไงเป็นความทุกข์ของผู้หญิงทุกข้อสุดท้ายก็คือทุกในการต้องปรนเปรอฝ่ายชายผู้ชายต้องไม่เอ า, เาใจใจตัวเองจนเกินไป ตรงนี้กลับไปแล้วก็บอกนี่เธอรู้ไหมเราแต่งกันมาตั้งนานจนแยดพัดภาคจากกันอยู่แล้วนยังไม่เคยรู้เลยเธอรู้ไหมฉันมีความทุกข์กี่อย่างใช่ไห้เขาบอกกองพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ฉันมีทุกห้าอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเข้าไปเลยเนี่ยนั้นต่อไปรับรู้ไว้และปฏิบัติต่อฉันให้ถูกด้วยเธอต้องเดินมักเดินปัญญาคือสมาธิตีต้องรู้แล้วปฏิบัติต่อฉันให้ถูกและฉันจะได้ปฏิบัติต่อเธอให้ถูกนี่เป็นต้นเขาใจอย่าง ลักษณะนี้เขาเรียกการการเดินข้อที่สี่ให้ถูกต้องไม่ใช่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งหงุดหงิดก็โกรธกันทะเลาะกันเกลียดกันแล้วก็มีปากมีเสียงกันเขาเรียกปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเขาจะ ย, ยังนี่วิธีการนี่เป็นการประพฤติปฏิบัตใิในชีวิตจริงใช่ไหมในชีวิตจริงแล้วรู้ไหมว่าสามีพึง่งภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามียังไงภรรยาไ อ, อ้สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยายังไงก็ต้องหลักการถามว่า สามีปฏิบัติกับภรรยาคือยกย่องใช่มหมยกย่องนับถือเป็นภรรยาทําไมทําไมพระเจ้าจึงให้สามียกย่องภรรยารู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนหลงลืมเก่งใช่ไหมถ้าไปบอกว่าภรรยาผมเป็นคนดี ภรยาของคนเป็นคนอดทนภรรยาผมขยันภรรยาผมเป็นคนมีความรับผิดชอบภรรยาผมเป็นคนฉลาดในการจัดการงานภรรยาของผมเป็นคนที่อมีความอดทนสูงภรรยาผมเป็นคนฉลาดมากในการจัดการดูแลลูกดีอะไรดีไปเที่ยวบอกคนโฆษณาเรื่อยๆเธอจะดีใจไหมเธอก็ภูมิใจก็ดีใจเนี่ยเป็นหลักการข้อแรกเลยเขาตึงให้ภรยาสามีปฏิบัติต่อภรรยาส่วนภรยาต้องปฏิบัติต่อสามีจัดการงานดี ต้องคนกว่าส่งขคาะคนที่เกี่ยวข้ อ, ของของสา ม, มีก็ต้องดีแล้วก็ไม่นอกใจเก็บทรัพย์ที่สา ม, มีหาไว้ได้ขยันไม่เกียรตค้าในกิจการทั้งปวงคํา่าเก็บทรัพย์ก็คือมาจัดสรรได้ดีเนี่ยทรัพย์สุขเกิดจากการมีทรัพย์นี่เป็นหลักของการปฏิบัติในข้อมารกหมดเลยนะที่พูดในรายละเอียดในชีวิตจริงนั่นเนี่ยุขเกิดแต่การมีทรัพย์ยอมมีทรัพย์ยอมมีความสุขหม สุขเกิดแต่การจ่ายท ร, รัพย์บริโภคเวลาไปจ่ายท ร, รัพย์ย่อมมีความสุขไหมไปใช้สอยซื้อของมีความสุงหรือไม่มีมสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใครย่อมมีไหเคยมีความสุขข้อนี้ไหมตอนนี้เป็นหนี้ไหมไม่มีหนี้ไม่มีความสุขสุขเกิดแต่การประพฤติกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ไร้โทษเอาข้อไหนมีความสุขมากกว่ากันหนึ่งสุขเกิดแต่การมีท ร, รัพย์ สแสวงหาทรัพย์มาด้วยความหมั่นด้วยเรี่ยวแรงด้วยกําลังอย่างอามเมือต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำพอได้ทรัพย์มาแล้วมีความสุขไหมมีนะสองได้ทรัพย์มาแล้วอย่างด้วยความชอบทำเอาทรัพย์นั้นไปจับจ่ายใช้สอยดูแลตนเองให้เป็นสุขดูแลปู่ตายายายพี่น้องให้เป็นสุขใช้ทรัพย์ทําความดีมีความสุขไหม ม, มีความสุขสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใครใช่ไหมมันไม่เป็นหนี้ใครและ สุขกับการมาพิจารณากายกรรมที่เรากระทําไปก็ไม่มีโทษไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมวจีกรรมก็ไม่มีโทษไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อมโนกรรมก็ไม่มีโทษก็ไม่มีโทษไม่โกรธใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่เห็นผิดทํานองของธรรมถามว่าข้อที่สี่นี่สุขมากไหมกายก็กายก็สะอาดวจาก็สะอาดใจก็สะอาดสุขที่สุดคือข้อไหนในสี่ข้อนี้เห็นไหมข้อสี่สุขที่สุด เพราะว่าถึงแม้ว่าทรัพย์เราจะน้อยหรือการไม่ได้มีโอกาสจ่ายทรัพย์ได้อย่างเต็มความสามารถเต็มเต็มที่หรือถึงแม้ว่าเราจะมีนี่สินบ้างแต่สุขจริงๆคือสุขจากการมาพิจารณาดูตัวเราเองใช่ไหมโอ้วันนี้เราไม่ได้ไปกายกรรมเราก็ไล่โทษเนาวัจีกรรมเราก็ไล้โทษเนามโนกรรมเราก็ไล่โทษหนาโอ้่อยู่นี่กายกรรมวจีกรรมเขาเรียกว่าประพฤติกาย ละกายทุจริตประพฤติกายยศทุจริตและไม่ประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นขึ้นมีสติสมชิชนญะกำกับตัวเองอยู่แปลว่าอะไรประพฤติละกายยทุจริตประพฤติกายยศุจริตและไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือว่าดำเนินกายยศทุจริตเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ให้ได้ละวจีทุจริตละพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อจะเจริญมโนสุจริตก็คือพูดคำจริง พูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตายอมพูดด้วยเมตตาพูดยังไงอ่ะพูดยังไงตั้งความรักความปรารถนาดีเอื้อาทอนให้เกิดขึ้นในใจก่อนแล้วจึงเอาเมตตาผักดันคำพูดออกมาพูดด้วยใจรักยอมเคยไหมเคยพูดด้วยเมตตาไหมการพูดด้วยเมตตาอย่างนี้เรียกกายกรรมวจีกรรมที่พูดออกไปเป็นวจีสุจริต ใจที่คิดเป็นมนโนสุจริตหรือเราหยิบของให้เขาได้เมตตางนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยการดําเนินชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าดําเนินอริยาาสัจข้อไหนข้อไหนข้อสี่ก็คือข้อมรักนั่นเองเห็นไหมเมตตาก็ไปอยู่ในมรักนี่แหละเ น, นี่ในชีวิตจริงที่เราควรจะดําเนินจริงๆนะเนี่ยเราเคยทํำไหมแบบเนี้ยเราเคยมองหน้ายังเคยถลึงตามองคนอื่นไหม มองด้วยความโกรธาเคยไหมโยมถลึงตามองใช้สายตาด่าเคยไหมเคยใช้สายตาด่าใครด่าลูกเคยไหมด่าสามีโอ้เคยด้วยเลยด่าเพื่อนโอ้เพื่อมีอีกด่าเจ้านายด่าหัวเนาะลูกน้องเคมีไหด่าพระทำไมกันเลยโอ้ พวกเราใช้สายตาด่าถลึงตายัางได้ทะลึงตามองด้วยความโกรธเคยใช่ไหมรู้ไหมกรรมที่ทําแบบนี้จะเป็นอะไรเราใช้อริยศาสตร์ข้อไหนในขณะที่ใช้สายตาถลึงตามองและด่าเขาเนี่ยเป็นอริยศาสตร์ข้อไหนข้อสองคือสมุทัยสจจาจริงๆต้องละทิง้งหรือต้อ ง, ต, องต้องทำต้องละทิง้งเราจเจริญผิดข้อนี่ปฏิบัติอริยศาสตร์ผิดจริงๆต้องทํำยังไงกรรมที่เราทํา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในในในมหาปุริสละขนาดสูตรลักขณะสูตรบอกว่าตถาคตในชาติก่อนในในอัตภาพก่อนเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยถลึงตามองไม่มองคนด้วยไม่ถลึงตามองคนด้วยความโกรธไม่ไม่ใช้หางตามองไม่มองค้อนเคยมองค้อนไหมยอมมองค้อนมองอยังไง ใช้หางตามองใช่ไห ม, ม อ, อ๋อมองค้อนตอนนั้นใจคิดยังไงเหยียดยามเขาดูถูกเขาคิดประทุสลายเขาคิดเบียดเบียนเขาใช่ไหมคนเนี่ยคนบางคนเกิดมาในโลกนี้ตาไม่สามัคคีกันเคเห็นไหมบางคนตาถลนออกมาเหมือนตาปูเคเห็นไหมบางคนก็ตาตาไม่สามัคคีกันคำว่าตาไม่สามัคคีแปลว่าไง ตาตาตาเข๋เลแล้วเลยตามันวิ่งกันไปคนละทางเพราะอะไรเพราะกรรมที่ใช้สายตาไปถลึงตามองเขาบ้างไปมองค้อนเขาบ้างไปกโกรธเขาบ้างใช้ตาไปคิดประทุษร้ายฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้สายตาอย่างนั้นก็จงทํากรรมแบบนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวกรรมนั้นให้ผลมันจะให้ผลในอัธภาพนี้ด้วยหลายหลายคนมองไปนั้นเริ่มเห็นตาบางคนเริ่มถลนออกมาแล้ว อันนี้แสดงว่าเราเริ่มใช้สายตาทําบาปมาเยอะเนาะงั้นวิธีแก้ทำยังไงถ้าปรารถนาอยากจะมีสายตาที่สวยงามให้มองด้วยปิยะาจาักสุขคาว่าปิยะจักสุขก็คือทํำยังไงมองด้วยเมตตาเวลาจะมองใครก็ให้มองแล้วให้ทําความรักความปรารถนาดีความเอื้ อ, อท อ, อ, มมอร์อให้เกิดขึ้นทําได้ไหมโยมอ้าวลองโยมมองมาที่พระลองทําเมตตาให้เกิดขึ้นดิได้ไหม มองปุ๊บขึ้นมาก็มีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนได้เกิดขึ้นขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีอายุยืนใช่ท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาท่านปรารถนาจะพ้นทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์โดยเร็วดยสะดวกคิดเงี้ยและเราก็มองทุกคนแล้วก็ใช้สายตาเนี่ยในการเจริญแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆยบ่อยๆมันจะได้ มันจะได้อกุศลกรรมที่เคยทําไว้มันจะได้ตามมาเบียดเบียนไม่ทันถ้าไม่รีบทําเดี๋ยวถ้ากรรมมันตามทันขึ้นมาโอ้โหลบากเลยนะเราจะมีตาที่ไม่น่าปรารถนาเขาใชยังนี่คือมักเห็นไหมว่าเรามองด้วยกรุณาด้วยไหมได้ไหมมองด้วยเมตตาก็ได้มองด้วยกรุณาก็ได้ถ้ามองด้วยกรุณาคือมองอยังไงคําว่าเมตตาเนี่ยก็แปลว่ารักปรารถนาดีเอื้อทอน เวลาเมตตาเกิดขึ้นมาเมตตาเขาทำลายอะไรทำลายโทสะทำลายพยาบาทผลผลของเมตตาเกิดขึ้นเป็นยังไงสภาพจิตที่ล่มเย็นผ่องใสเยือกเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญอะไรเป็นเหตุทําให้เกิดเมตตาได้ง่ายเอาอะไรเหตุใกล้ชิดที่สุดทํายังไงเมตตาจึงจะเกิดได้ง่ายก็คือการมองจุดเด่นคนได้ง่ายคนบางคนชอบมองจุดด้อยคน ใช่ไหมระหว่างจุดด้อยกับจุดเด่นเรามองเห็นอะไรได้ง่ายกว่ากันดดนั่นแหละโทสะเกิดง่ายที่สุดแปลว่าเราเนี่ยไปเจริญอะไรอริยสัจข้อสองแทนที่เราจะเจริญข้อสี่ถ้าเราเจริญเมตตาก็ไปอยู่ในข้อสี่ถ้าเจริญถ้าถ้าโทสะเกิดขึ้นก็ไปอยู่ข้อสอแท้จริงโทสะต้องละทิ้งโมหะต้องละทิ้งโลภะต้องละทิ้งเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราเจริญในอริยสัจกันไม่ไม่ถโทพอเข้าใจยัง มีใครอยากถามอะไรไหมจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมีไม่มีอยากถามอะไรไหมยอบอยากถามอะไรไหมไม่อยากถามเนะี่ยงั้นพาถามหน่อยได้ไหมไม่อยากถามเลยจริงๆไงถ้าเป็นการสนทนาการมาชอบมากกว่านะี้ <c oughs> มีไหม <c oughs> ถามว่าจริงๆการเจริญ การเจริญมรรคสัจจะหรือาการเจริญอริยมรรคเนี่ยยากไหมยากไม่ยากน ม, มันเจริญยากไมโยมไม่ยากใช่ไห ม, ไมา ก, การเจริญปัญญายะการเจริญปัญญานี่ยากไหมปัญญาการเจริญปัญญาต้องฝึกฟังนะที่เรียกว่าสุตตะบางคนได้แต่สุตตะแต่ไม่ได้สุตตะมรปัญญาเคยเข้าใจไหม คือได้แต่การฟังแล้วไม่เข้าใจแต่บางคนฟังแล้วเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างนี้เขาเรียกได้สุตตะมยปัญญาฟังแล้วสามารถสรุปประเด็นได้จับประเด็นได้สามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้เนี่เขเรียกสุตตะเมื่อเราฟังในเรื่องใดก็แล้วแต่ก็เอาเรื่องนั้นไปขบคิดไปวิจัยไปแยกแยะสามารถมองอะไรได้ทะลุทะลวงได้ลึกขึ้นกว้างขึ้นกว่าที่ฟังอันนี้ก็เรียกจินตามัยปัญญานะ ภาวนาคือสามารถปฏิบัติได้จริงเช่นเช่นคนบางคนเนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นละได้เร็วเราเป็นคนละได้เร็วไหม เ, เหมือนเวลาพระท่านให้พรพระท่านบอกว่าอะไรนะอายุวันนะสุขะพาละใช่ไหมเราเคยไปขอพรจากพระไหมขอพรจากพระเคยไหมแปลว่าอะไรเวลาพระท่าน ท่องภาษาบาลีมาพรจากพระมันวิ่งเข้ามาสิงในตัวโยมเลยไหมเราเข้าใจแบบนั้นไหมย อ, อย่างว่าว่าสมมุติไปไปให้ทานใช่ไหมพอให้ทานเสร็จพวกพระก็บอกว่ายะพระเขาก็บอกว่าสัพพีติโยวาชันตุสัพหรืออภิวาทานาสีลิสานี่ยถามว่าพรที่พระท่องเนี่ยคําสอนที่พระท่องเนี่ยมันวิ่งเข้าในตัวโยมเลยไหม ย, ยมเข้าใจงั้นไหมแล้ ว, แ ล, วแล้วพรมันคืออะไร คำว่าพรเนี่ยวัละตัวนี้แปลว่าประเสริฐนะก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้นมันอำนวยให้ตามที่เราขอร้องขอที่จริงพรภาษาไทยกับภาษาบาลีไม่เหมือนกันอย่างยากตัวอย่างเช่นนางวิสาขาไปขอพอรอยู่พระเจ้าก็คือขอโอกาสบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสในการที่จะถวายจีวรแด่สง์ ข้าพเจ้าขอโอกาสในการที่จะถวายอาหารแด่สงเนี่ยการไปขอโอกาสอย่างนี้เขาเรียกขอพรใช่ไหมแต่พรพวกเราคนละอย่างกันเวลาพระให้พรเนี่ยพระบอกว่าอายุวันณะสุขพะพละเป็นต้นเนี่ยคําว่าอายุอายุมากอายุน้อยเราโยมชอบอะไรใครชอบอายุมาก่ะยอมหน่อยชอบอายุมากไหมอายุมากแปลว่าใกล้ตายใช่ไหมเราชอบอายุน้อยใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยอมแก๊บชาวอายุน้อ ย, อยหรือไม่ฮะชาวอายุน้อยงั้นที่พระท่านบอกอายุสัพท์นั้นก็แปลที่จริงอายุมากนะดีงั้นพระที่ท่านบอกว่าจัตาโรโธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยอายุนั้นแปลว่าอายุมากอายุศัพท์นั้นนั่นแปลว่าพลังแปลพลังชีวิต พลังชีวิตบางคนอายุมากแต่พลังชีวิตเหลือน้อยบางคนอายุน้อยแต่พลังชีวิตเหลือมากเหลือน้อยพลังในนีคือกำลังพลังชีวิตก็คือกำลังใจกำลังใจในที่นั้นก็หมายความว่าคนบางคนเนี่ยอายุมากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่เป็นคนหดหูท้อถอยหงอยเหงาเศร้าซึมแปลว่าอะไรแปลว่าพลังชีวิตน้อยแต่คนบางคนมีพลังมีความมีพลังมีความเชื่อมั่น คำว่าอายุในที่นั้นพระเขาบอกว่าให้เราไปเจริญอิทธิบาทสก็คือไปเจริญมารคนั่นเองอิทธิบาทสี่คือฉันทะมีความรักอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งที่ดีงามเพราะเราเห็นว่าความดีมีจุดหมายที่ดีเป็นผลเราจะต้องประพฤติดีปฏิบัติดีเข้าถึงความดีให้ได้ถ้าตราบใดเรายังฝึกตนเองให้เข้าถึงความดีที่บริสุทธิ์หมดจดเราจะตายไม่ได้เนี่ยพระก็ตั้งมั่นอย่างเนี้นี่เขาเรียกพลังชีวิต พลังชีวิตอีกข้อหนึ่งก็คือวิริยะคือความแ ก, กล้าหาญก้าวไปใจสู้เราจะต้องบุกฝ่าไปข้างหน้าให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ถ้าไม่บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว้เราจะตายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือพลังชีวิตส่วนอีกข้อหนึ่งคือจิตตะคือจิตจดจ่อตั้งมั่นใช่ไหมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้ความหดหู่ไหลเข้าสู่จิตไม่ให้ความท้อถอยไหลเข้าสู่จิตจิตจดจ่อตั้งมั่น จะต้องบรรลุให้ได้เข้าถึงจุดหมายให้ได้ไม่อุทิศกายอุทิศใจเต็มที่เลยเนี่ยเหมือนคนไปกู้กับระเบิดนะยองถามว่าเขาจะมัวกังวลเรื่องอื่นไหมมัวหรือไม่มัวไม่มัวแล้วจิตจดจอ่อจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จให้ได้อย่างี้เป็นต้นส่วนปัญญาก็คือใช้ปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางว่าองค์ประกอบอะไรที่มันขัดขวางถอดออกอะไรที่มันจะทําให้บรรลุได้เร็วก็แก้ไข ใส่องค์ประกอบตัวนั้นเข้าไปเพื่อจะบรรลุจุดหมายปลายทางอย่างนี้คำว่าอายุเป็นชื่อของอิทิบาศีคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์เขาจะยังที่พระท่านบอกอายุศัพท์นั้นเนะี่ยแปลว่าให้เราไปเจริญอิทิบาศีไม่ใช่ว่าพระให้พรแล้วพรวิ่งเข้าไปสิงในในตัวโยมเนะี่ยไม่ใช่เงน้นนี่ข้อที่หนึ่งวันนะวันนะเป็นชื่อของอะไรไม่ใช่ วันนะสับนั้นเป็นชื่อของสีผิวเป็นื้อชื่อของศีลเมื่อยอมไปเจริญกุศลศีลแล้วกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ใจผ่องใสผิวพธุ์ผ่องใสไหมปลาโมดปีติปสัสสธิเนี่ยมันเกิดขึ้นเขาใจยางนั่นแหละวันนะเนี่ย วันนะ้ในที่นั้นแปลว่าโยมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยมไปเจริญศีล น, นะทํากายสะอาดทําวาจาให้สะอาดทําอาชีพให้บริสุทธิ์ทําใจให้สะอาดผ่องแผ้วแล้ะยอมจะได้มีวันน้าผ่องใสพระท่านให้แบบนี้แต่เราไม่ถามพระท่านนี่พระก็ไม่บอกเลยใช่ไหมแล้วก็สุขะไม่ใช่สุขะเป็นชื่อของปลาโมดความล่าเริงผ่องใส ปีติความอิ่มใจปัจสถานความสงบสุขสมนานัทความคล่องความโปร่งโล่งใจแล้วก็สมาธิสุขในที่นั้นมปนชื่อของสมาธิความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจงไปฝึกจิตเ ล, ลื่อนถึงพระาราตนะตะไรเกิดสมาธินี่พระท่านให้ข้อนี้ไปได้ อ, อย่างสุขะแล้วก็อะไรอีกอ่ะที่จริงมันมีพรสี่ก็มีพรห้าก็มีพรหกก็มียมอมยาวพรเท่าไหร่วันเนี้ยจะเอาสี่เอาห้าหรือเอาหก เมื่อกี้เมื่อกี้ให้สามแล้วเอาอะไรเอาหกใช่ไหมอายุวันนะสุขะโพคะโพคะพันละแล้วก็ปฏิพนัน6์หกพอดีเลยนะบางทีเนะี่ยเขาก็มีหกบางทีก็จ ะ, จะตุรพิษธพรชัยก็สี่ปัญจก็ห้าฉักกะก็หกสรุปสรุปแล้วยมอมเยาพรหกใช่ไหมเมื่อกี้ได้สามแล้วนะ อ่ะต่อไปก็คือโภคะโภคะหมายถึงพอกษัพยบพอกษัพย์ภายนอกที่พระท่านให้ท่านพระก็บอกว่าพอกษัพย์ภายนอกแจกมันหมดเป็นแต่โยมจงไปฝึกพอกษัพย์ภายในคือพรหมิหารสี่โยมจงฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนให้เกิดขึ้นจงไปฝึกกรุณาในใจใเกิดขึ้นมีความสงสารคิดจะช่วยคนประสบความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ จงฝึกมุติตาความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นประสบความยินดีให้เกิดขึ้นและฝึกอุเบกขาอุเบกขามีสองอย่างนะเฉยโง่กับเฉยเฉยเมยอ่ะเฉยโง่เขเรยเฉยเมยเคยเป็นไหมเห็นใครก็เฉยเมยไม่สนใจอ่ะเฉยโง่เนี้อย่างนี้ไม่ใช่เฉยมองนี่ถึงจะเป็นอุเบกขาเฉยมองเฉยเมยกับเฉยมองถ้าบ่าอุเบกขาเป็นเฉยอะไร เฉยมองมองดูอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องมีกรรมเป็นของตนเองเขาจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองเมื่อเขาทํากรรมดีต้องได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วนี่ต้องเฉยมองถ้าเฉยเมยก็คือเฉยแบบไม่รู้เรื่องถ้าเฉยเมยเขียนอีกภาษาบาลีเรียกอัญญานุเปกขาเคยได้ยินไหมเฉยแล้วโมหะเกิดเฉยแล้วปัญญาไม่เกิดเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเฉยแบบไม่สนใจอันนี้ห้ามเจริญ สรปแล้วพระมิหารสียอมสามารถแจกเมตตาคนได้อย่างมากมายไห ม, ม, มเอาคนที่มานั่งนี้ทั้งหมดถ้ายมแจกเมตตาให้เขาเหมือนยมแจกเทียนให้เขาแจกไฟให้เขาจุดไว้ถ้าแจกไปแจกไฟแจกเทียนแล้วไฟด้วยคนละเล่มละเล่มละเล่มสว่างไหม<อ>แล้วถ้าแจกทั้งโลกนี่เป็นยังไง สว่างทั้งโลกเลยเนั่นแล้วแจกยิ่งแจกยิ่งยิ่งเพิ่มแล้วยิ่งมายิ่งมากแล้วหมดเป็นไหมเมตตาหมดเป็นไหมเนี่ยโพคะตัวนี้ยยอมให้ไปแจกไปแจกยังไม่หมดแจกยังไงก็ไม่หมดเนี่ยพระท่านให้คําเนี่ยโพคะให้แจกเมตตาเยอะๆเจอใครก็แจกเมตตาเจอใครก็แจกกรุณาเจอใครก็แจกมุทิตาเจอใครก็แจกอุเบกขาแจกให้ทั้งโลกเนี่ยมันจะได้กลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันจะได้เป็นเหมือนน้ํากับอะไร น้ำกับน้ำมันหรือน้ำกับน้ำนมเราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเป็นเหมือนน้ำกับน้ำน้ำนมหรือน้ำกับน้ำมันเข้ากันได้เป็นเนื้อเดียวกันเลยหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนี่ยต้องเป็นถ้าถ้าแจกพรหมวิหารไปจะเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมถ้าไม่มีพรหมวิหารก็อยู่ด้วยกันเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เข้ากัน โอว่าอยู่กันก็ไม่เคยได้รับความสุขที่แท้จริงนี่โคลคอีกข้อหนึ่งคือพละห้าแล้วนะพละเนี่ยพละก็แปลกำลังหนึ่งกำลังกายแปลพาท่านบอกว่าโยมจงไปฝึกดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้อยู่ดีไร้โรค ออกกำลังกายยังไงกินอาหารยังไงใช้เสื้อผ้ายังไงเครื่องนุ่งห่มยังไงโยมต้องไปฝึกทำกายให้แข็งแรงสองกำลังใจกำลังใจก็มีหนึ่งทใจให้ได้คุณภาพสองให้ได้สมรรถภาพสามให้ได้ความสุขคุณภาพคืออะไรกลมพวกกรตันยูกระตาวทีหิริโอตปะปาละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีไหม มีกระตันอยู่กระตเวทีไหมมีพระมิหารธรรมในใจไหมเนี่ยพวกนี้เป็นควกคุณภาพถ้าสมรรถภาพก็คือมีความแกล้ากล้าอาถารมีไม่มีมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในความดีมีสติระลึกได้อย่างมั่นคงมีสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตมีความอดทนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสมรรถภาพ แล้วก็ต้องมีความสุขสุขสมมานะทั้งหลายให้เกิดขึ้นในใจดังนั้นกําลังใจก็ได้ทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขข้อสุดท้ายคือกําลังปัญญาพัฒนาปัญญาจนอยู่เหนือกิเลสได้เป็นอิสระเสรีภาพได้หลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงได้นี่พระท่านบอกพละที่พระท่านให้พรเนี่ยพละเข้าใจยังอล้วข้อสุดท้ายคือปฏิพานปฏิพานคือ มีปัญญาว่องไวเฉียบแหลมคือความโลภเกิดขึ้นก็ละปุ๊บเดยทันทีเลยความโกรธเกิดขึ้นก็ละพบอย่างรวดเร็วเลยยอมเวลาความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นยอมแช่อยู่นานไหมนานใช่ไหมเอางี้อุปมางี้ว่าให้ยอมสมาทานบอกว่านับตั้งแต่แต่วันนี้ไปต้นไปถ้าความโลภความโกรธความหลงอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นปุ๊บฉันจะละอย่างรวดเร็วให้ตั้งใจอย่างนั้นนะเหมือน อุปมาเหมือนอุจจาระกระเด็นติดหน้าผาก uh huh. จะต้องรีบร้างไม่อยอมเรี ย, รยรใช่ไหมอย่างเร็วเลย <laughs> รีบร้างไม่อยอมอ่ะท uh huh. ่นั้นเวลาราคะเกิดขึ้นในใจถามว่าความกำหนัดความโกรธความหลงเนี่ยมันสกโปกมากกว่าอุจจาระไหม uh huh. และเราปล่อยให้แช่ไว้นานได้ยังไง uh huh. ใช่ไหมพอพอคิดอย่างนี้ปุ๊บนี่ปฏิพานมันเร็วเนี่ พอรู้ว่าอู้ความสโปรกเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราแล้วมันรีบละทันทีเลยนี่เป็นตน้ น, นความโกรธความเครียดความหลงความอะไรทั้งหลายเนี่ยทุเจรลตทั้งหลายเกิดขึ้นละได้อย่างรวดเร็วนี่ก็พระท่านบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจึงมีปฏิพันธ์ว่องไวในการละบาปอกุศลกรรมมันชัวน่วร้ายแก้ปัญหาอะไรได้รวดเร็วเห็นเพื่อนกลับไปพบเห็นลูกเกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะเกิดก็สามารถแก้แก้ปัญหาให้กับลูกได้อย่างทันท่ว ง, งทีเลย ทำให้ลูกออกจากความโลภโลภโกรธหลงได้อย่างรวดเร็วทีวนี้ปฏิพาน์เร็วขนาดนั้นยอมสามารถทำได้ไหมเข้าไปถึงบ้านพบเห็นสามีกำลังโกรธอยู่ทำยังไงให้เขาหายโกรธ ท, ทำไงไปพูดเจหน้าเขาโกรธคืองโง่โมโหคือบาพูดอย่างนี้เล้ว <laughs> <laughs> พวกนี้เขาจะโกรธใหญ่เลยมไ่มถ้าเคยได้ยินพระท่านพูดคำนี้ฉันเอ้ยไปพูดงั้นยุ่งใหญ่ใช่ไหม ถ้าเห็นพระเอถ้าเห็นเ อ, อเห็นสามีดื่มเหล้าเราจะทักพูดยังไงให้สามีเลิกเหล้าได้อมีพระองค์หนึ่งท่านพูดให้ฟังออกมาทำไมท่านพูดอย่างนั้นกันไปลอกนี้ไม่เอามาไม่ได้รับรองอามาฟังท่านพูดท่านบอกว่าให้เอาอุจจาระมาวางไว้ใส่ถ้วยไ ว, ไว้แล้วก็เอาเหล้ามาใส่แก้วแล้วไปเรียกสุนัขมาทเลยนั่นแหละเขาบอมีพระองค์นี้ท่านพูดอามาก็ฟั ง, าาฟงทําไมพระพูดอย่างนี้ เรียกมาให้ไปทําต่อหน้าสามีวแล้วอสุนัขมันจะไปกินอะไรมันไปกินอุจจาระแล้วก็ไปลูบหัวมันโอ้ยังนี่ฉลาดเนาะกิน <c oughs> เออเชันว่าไปทําอย่างนี้ว่ายุ่งไหม <c oughs> เขาจะโกรธเราไหม <c oughs> เขาจะโกรธใช่ไหมแบบนีน้เขาจะโกรธแล้วก็ให้พูดต่อว่าเออเองยังรู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน ไม่พูดหนักนะพูดคํำนี้นะแล้วก็บอกต่อบอกว่าเอ๊ะทำไมสุนัขไม่กินทําไมทั้งไม่ไมกินอุจจาระอ๋อเพราะมันยังมีกากวิตามินหลงเหลืออยู่บ้างอไอ้พูดอย่างเนี้เอามากันนึเอ๊ะมันจะได้ผลจริงๆอย่างนี้ไม่ไม่เรียกปฏิพานธ์นะแท้จริงเขาไม่ได้แก้ปัญหาวนี้มายกตัวอย่างที่พระท่านพูดมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนที่จะสามารถคุยกับสามีวิธีการเนะถ้าวิธีการของพระเจ้าทําไงรูก หนึ่งไม่ว่าเขานะีแต่เพียงบอกว่าพี่ถึงพี่จะกินถึงจริงพี่จะกินเหล้าเนี่ยหนูก็รักพี่นะทำไมหนูก็รักพี่ใจลึกๆในความรู้สึกไม่อยากให้พี่กินในความที่อยากอยู่กับพี่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสติปัญญาที่ดีแต่เมื่อพี่เลือกที่จะเป็นอย่างนี้หนูก็ยอมรับในสิ่งที่พี่เป็น ยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นถึงแม้โรคมันจะเกิดขึ้นจากการกินเหล้าเนี่ยเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตีเตียนปัญญาก็จะค่อยลดลงลดลงแต่หนูก็จะยอมรับมันนะแต่เพียงว่าเมื่อสถานการณ์นั้นมาถึงขอให้พี่แข็งแรงแล้วมั่นคงในะด้านจิตใจอย่าอย่าอย่าไปทรมานเอ อ, อย่าไปทุกข์กับมันนะ ถึงยังไงหนูก็จะวางท่าทีทางใจให้ดีว่ามีในเมื่อพี่เลือกที่จะปฏิบัติอย่างนี้แล้วหนูก็จะยอมรับในสิ่งที่พี่เป็นแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่เลิกหนูก็จะดีใจนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็จะทําหน้าที่พรลย่ายดีที่สุดเขาจะทึ่งมไหมเขาจะโอ้โหสุดยอดเลยเขาจะนึกอย่างนั้นแล้วเขาจะมีกําลังใจนะแบบเนี้ยถ้าพูดแบบนี้เขาจะมีกําลังใจอย่าไปทําอย่างวิธีที่พูดเมื่อกี้ จะมารเนี่ยลักษณะแบบนี้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ให้เหตุผลกขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้วแก่ตัวไปเราก็ต้องเจ็บป่วยแต่ก็ถึงวาระนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้วมแต่เราก็บอกเขาว่าพี่อย่าอย่าอย่าทุกข์อย่าทรมานก็เคยบอกไว้แล้วไงว่าพี่ควรจะปฏิบัติตนเองอย่ให้ต้องเข้าสังขเเออเาถามปัญหา อาจารย์บอลคำถามที่อ่านขอญาตนะครับาจบอลยาวนขอญาตอ่านหลายั้งแล้วเดี๋ยวจรวมนะครับเพราะว่าเสร็จปะต่อการปฏิบัติเพราะว่านานไม่ได้เจอท่านอาจารย์ผู้ส่งริยาคแล้วก็ศึกษาปฏิบัติด้วยเ้าบอกว่าถึงการได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกันบอกว่าเราไม่ลงือปฏิบัติสักทีนะครับหลักการสุผลการปฏิบัติ่อจะมีความสงสัยอยู่เรืยนะครับ เขาบอกว่าอย่างวัวโตคิดต่อการคิดประยัดข้อความ ท, ที่คนอื่นพูดแม้แต่ผููตรงประยัดก็ตามอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เพราะว่าจะเป็นภาระให้เราแบกบเมื่อมันแตกไปในลักษณะ น, นี้ไม่เรื่อยสรุปว่าเราก็หักยังกับใจเราทําให้เกิดความสงสัยอยู่ตลอดเมื่อถึงเวลาที่เจอของจินซึ่งอาจเป็นผลระยะกับที่เราคิดเราอาจจะไม่เชื่อความจริงนั้น ในการศึกษาปฏิบัตให้เอาธรรมชาตินั้นขึ้นมาคือกายใจตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติที่เปิดอยู่แล้วประมาณนี้ครับอาจารย์คำถามคือคำถามคือว่าเ อ, อให้อยู่กับปฏิบัติโดยกายใจที่รู้ตัวอยู่เฉพาะหน้านี้หรือว่าให้ศึกษาแล้วปฏิบัติตามปริยตญมาวิธีขั้นการปฏิบัติอย่างวิธีไหน คือคืออย่างนี้เท่าที่ถา้าเท่าที่ฟังฟังพอจะจับประเด็นได้นี่นะีก็คืออย่างนี้ฟังฟังดูแล้วก็คือว่าเขาบอกว่าอย่ามัวเรียนแต่ปริญัตอย่ามัวถกเถียงกันให้ลงมือปฏิบัติในทํานองอย่างนั้นคือคืออยากอยางให้เราได้เข้าใจว่าสมัยคําสอนในคำในใ น, ในพระบาลีในพุทธพจน์เนี่ยเขจะมีคําว่าศึกษานีมันจะคําว่าสิกขาโยมสอเสือสลอัย กไก่ขอไขสระศึกษาถ้ามาเป็นภาษาไทยเราก็คือศึกษาศึกษาหรือศึกษาเนี่ยคาเนี่ยรวมความตั้งแต่ฟังไปจนถึงการปฏิบัติแต่มาระยะหลังเราไปแยกศึกษาคำหนึ่งปฏิบัติคาหนึ่งนี่คือความไม่เข้าใจของระยะหลังคนไทยจริงศึกษาก็คือเริ่มตั้งแต่ฟังเลย ฟังพอรู้ยกตัวอย่างเช่นนะคำว่าปฏิบัตินี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าการทําศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญนี่เคือเรียกปฏิบัติทําวิริยะความเพียรความแกล้าที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญทําสติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญทําปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญลักน้อยนี้เคือเรียกปฏิบัติ ก็คือเมื่อฟังแล้วได้ความเข้าใจปุ๊บยกตัวอย่างว่า เ, าเวลาเราเครียดเกิดความเครียดขึ้นมาปุ๊บเรบอกว่าเมื่อกี้พระบอกว่าเครียดเนี่ยโกโรธเนี่ยมันเป็นสสตยศาสตรจจ์มันเป็นการปฏิบัติผิดข้อในอริยสัจถ้าปฏิบัติให้ความเครียดความโกโรธขึ้นมามันเป็นเหตุของทุกข์มันเป็นเหตุของปัญหาตามมาเยอะฉะนั้นให้มาทําข้อสี่ ข้อสี่ก็คือการเดินเมตตาให้เกิดขึ้นดํารีชอบดํารีออกจากพยาบาทก็คือทําใจใเป็นไปกับเมตตามาพิจารณาว่าเราเราเป็นพุทธบริษทัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราไปโกรธไม่ควรก ouais. ่เราเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าทรงสแสดงให้ฟังว่าการโกรธเนี่ยมันเผาตัวเองอย่างไรนะความโกรธเนี่ยมันเผาตัวใจเราเอง เผาหาไทยวัตถุทําให้ร่างกายเราก็เดือดร้อนด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ผิวพันธ์ทั้งหลายก็ไม่ผ่องใสเป็นต้นแล้วความโกรธเนี่ยจะนําพาซึ่งมาเพราะความเกิดความโกรธขึ้นมาตอนนั้นใจก็ไม่สะอาดใจก็หงูดหงิดใจก็ไม่ผ่องแผ้วใจก็มีโรคมีของเสียเต็มไปหมดเกิดกาภาวะความอัดอั้นติบตันที่สุดจริงก็เกิดความทุกข์ปัญญาก็ไม่เกิด บุคลิกภาพออกมาก็ออกมาอย่างเศร้าหมองเป็นต้นฉะนั้นพฤติรราอย่างนี้ปุ๊บก็น้อมมาทําเมตตาเกิดขึ้นในขณะที่เมตตาความรากักความปรารถนาดีเกิดขึ้นจิตใจสะอาดผ่องแผ้วใจไม่มีโรคใจไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตไม่มีมวลทินจิตเป็นไปกับความสุขปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นถามว่าในขณะนั้นเรียกว่าปฏิบัติหรือ ย, ยังปฏิบัติแล้วเห็นไหมปฏิบัติมันทําได้ทันทีอย่างนี้ มันทําได้อย่างนี้เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็สามารถละขจัดความโกรธความโลบความหลงออกจากใจแล้วก็เดินไปสู่ศรัทธาเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกการปฏิบัติมันเกิดขึ้นทันทีในขณะนั้นทีนี้เราไปไปเข้าใจคําว่าปฏิบัติกันเนี่ยแคบเรานึกว่าเป็นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วหลับตา ดูลมเป็นต้นเท่านั้นเรียกว่าปฏิบัติถ้าไปเข้าใจอย่างนั้นยุ่งเลยพุทธศาสนาคับแคบมากเลยเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ในชีวิตจริงนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เราหยิบของให้คนอื่นด้วยใจรักปรารถนาดีเมตานี่เขาเรียกว่าให้ทานเขาเรียกปฏิบัติในทานและเป็นศีลด้วยเป็นจารีศีลเป็นประเพณีของอ ร, ย, อรยชนที่เขาประพฤติปฏิบัติกัน นั้นการที่ดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่บริบทแค่นั่งหลับตาถ้านั่งหลับตาในขณะนั้นเกิดความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินเกิดความขัดเคืองเกิดความมัวเมาลุม่มหลงเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติต่อให้นั่งหลับตาถ้าหลับตาปฏิบัติคนตาบอดก็ปฏิบัติตลอดชีวิตใช่ไหมไม่มีเวลาที่ไม่ปฏิบัติเลย มันไม่ใช่แล้วเพราะการปฏิบัติมันหนึ่งมันต้องมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเมื่อกี้จับประเด็นได้ก็คือให้อยู่กับปัจจุบันคำว่าปัจจุบันในที่นี้มันมาจากในบทพัทเทกัตะสูตรอตีตังนานวาขเมยยะนาปฏิกังขีอนาคตังเปต้นท่านมองบอกว่าไม่ควรหวละห้อยถึงอดีตไม่ควรเพ้อหาอนาคตใช่ไหม คำว่าไม่ควรหัวละห้อยในอดีตแปลว่าอะไรแปลว่าอดีตที่ผ่านมาคนเราเคยสมหวังในอดีตเคยดีใจล่าเริงเคยสนุกสนานมาในอดีตแล้วสถานการณ์นั้นมันผ่านมาแล้วไม่ควรไปคิดด้วยตัณหามานาทิฏฐิไปหัวละห้อยทิ้งทิ้งการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันให้เสียหายใจก็ไปน้อมหาแต่อดีตแล้วก็เพอ้อเจอหาแต่อดีตยอยู่นั่นแหละหัวละห้อยอยู่นั่นแหละ เห็นไหมสองไม่ควรเพ้อหาอนาคตก็คือเพ้อด้วยตัณหามานตทิติในอนาคตเราอยากจะประสบความสําเร็จอย่างนั้นอยากจะได้ดีจิตใจก็เลยขาดการและไม่ควรงอนแง่นคอนแคนในปัจจุบันเห็นไหมถ้าคนเพ้อหาอาดีตหรือคนหันละห้อยในอดีตเพ้อหาอนาคตปัจจุบันงอนแง่นไหมจิตใจก็งอนแง่นคอแนแคนเพราะอะไรเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันวิธีการคือ ท่านสอนให้มีสติกำกับอยู่กับตัวให้มีปัญญารู้ชัดในปัจจุบันสามารถเอาสติดึงเรื่องราวในอดีตได้ดึงเรื่องราวในอดีตเข้ามาดึงแล้วก็มาตรึงแล้วมาจับไว้แล้วก็ใช้ปัญญาตรวจสอบสอบสวนวิจัยแยกแยะว่าในอดีตอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือส่วนบกพร่องอะไรคือส่วนที่ดีงามและเราควรวางท่าทีต่อ เรื่องนั้นอย่างไรอะไรเป็นความดีเราควรจะเพิ่มเติมอย่างไรในะปัจจุบันอะไรเป็นความเสียหายเราจะไม่ให้ความเสียหายเช่นกายทศจริตวจีทศจิตบาปเก่าทศจริตเก่าอักษรกรรมเก่าสิ่งไม่ดีเก่าๆที่มันเคยเกิดมาแล้วที่มันเคยเกิดในกระแสชีวิตของเราแล้วมันง่ายมากนะมันจะตามมาเกิดในปัจจุบันเขาให้สมาทานนะว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป จะไม่ให้บาปเก่าทุจริตเก่าอคตศลกรรมเก่าทั้งหลายที่เคยทํามาแล้วเข้ามาสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นทุกข์ให้สมาทานแบบนี้นี่บาปเก่าเพราะไอ้บาปเก่าๆ เ, เช่นเราเคยโกรธเราเคยโลภเคยหลงแบบเก่าๆซ้ําจําเกซ้ ำ, ำซำากน่ะมันเคยเกิดบ่อยๆเข้าใจใช่ไหมเขาให้สมาทานตัดวงจรมันเลยด้วยความเพียรด้วยความอาถรรพด้วยความแกล้ากล้ามีสติกํากับบอกจะไม่ให้ไหลสู่จิตไหลเข้าสู่จิต 2บาปใหม่ทุจริตใหม่อกักษรกรรมใหม่ที่เราได้ยินได้ฟังแต่เราไม่เคยทําเช่นเขาฆ่ า, าพ่อฆ่าแม่เขาประทุษร้ายเผาตัวตายฆ่าตัวตายบาปบาปใหม่ๆที่เราได้ยินหรือนูน่นหรืผีชี้อะไรก็แล้วแต่ในที่เราได้ยินเนี่ยบาปใหม่ทุจริตใหม่อกักษรกรรมใหม่ก็จะไม่ให้เข้าสู่กระแสชีวิตข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพียรสมาทานละบาปใหม่ 3. เพียรในการเจริญกุศล ฝึกตนเองให้คุ้นเคยให้คุ้นเคยให้คุ้นเคยกับกุศลความดีให้คุ้นเคยกับศรัทธาเพราะเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขาให้คุ้นเคยกับความเชื่อมั่นให้คุ้นเคยกับสติให้คุ้นเคยกับความเพียรให้คุ้นเคยกับสมาธิให้คุ้นเคยกับไม่เมตตาให้คุ้นเคยกับกุณาฝึกให้ใจเราอ่ะคุ้นเคยกับกุศลธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ให้คุ้นเคยกับความดีนะให้ติดต่อและต่อเนื่องและ ฝึกแล้วก็เพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงความดีที่เรายังไม่ได้เช่นเช่นบางพระอริยะทั้งหลายท่านได้ศีลสมาธิปัญญาท่านละกิเลสได้กุศลชนิดนี้เรายังไม่ได้เราจะต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงให้ได้จะต้องเข้าศีลเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานัทสนะอันสูงสุดที่พระอริยะทั้งหลายท่านละกิเลสให้ได้นี่เพียรพยายามเพื่อจะเข้าถึงความดีเหล่านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างนี้เห็นไหมว่าหนึ่งคิดอดีตได้สองคิดอนาคตได้แต่จะคิดให้ดึงคิดด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมาไม่งอนแง่นคอนแค้นใปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะในการที่จะระดมความเพียรรู้ว่าภัยอะไรจะเกิดในอนาคตก็แก้ไขใปัจจุบันไม่ใช่ไม่ให้คิดอนาคตนะไปดูในพระสูตรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยแม้ถ้าไม่ให้คิดอนาคตยุ่งนะยมนะไม่ให้คิดอดีตก็ยุ่งอีกยกตัวอย่างเช่นยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยยมจะเดินลงบันได ไอ้บรรดเป็นอนาคตไหมไม่คิดเลยเหรือให้อยู่แต่ตรงนี้เลยไม่ใช่อ้อนาคตจะมีใครดักตีหัวเดียบันไดาหรืเอเปล่าเนี้ยมันต้องรู้หมดนะใช่ไหมล่ะนั้นการคิดอดีตอนาคตนะ่ะคิดได้แต่ท่านห้ามว่าอย่าคิดด้วยตัณหามานาทิฐิแต่ให้สติเอาสติไประลึกในอดีตถามพุทธเจ้ามีอะไรปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกไหมเ ล, ลืกอดีตจุตูปปาปตยาระลึกอนาคตไหม อาสวะขย้ายานเนี่ทำกิเลสในปัจจุบันนี้ให้หมดสิ้นไปฉะนั้นมันต้องระลึกทั้งสามการเห็นไหมปัญหามีทั้งอดีตด้วยทุกปัญหาในอดีตปัญหาในอนาคตปัญหาในปัจจุบันปัญหาภายในปัญหาภายนอกปัญหาหยาปัญหาละเอียดปัญหาใกล้ปัญหาไกลนั้นปัญญาต้องไปรอบรู้ปัญหาทุกระดับอย่างนี้ถึงจะรอบรู้ทุกขสัตว์เขาจึงเรียกว่ารอบรู้ทุกขพอจะละสมุไทยทํานี้โรธให้แจ้งอบลมบารีมาพอเข้าใจไหม เข้าใจที่เขาถามเพราะประเด็นเนี่ยทุกวันเนี่ยคําพูดบางคํามันสวยหรูนะแต่มันปฏิบัติไม่ได้เช่นเช่นบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะลุกเข้าห้องน้ํามันก็ต้องคิดก่อนแล้วในห้องน้ำจะไปเปิดประตูที่ไหนนี่คือความเป็นจริงนะแต่เขาให้คิดด้วยสติสัมปชัญญะสติเป็นไปได้สามการอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้หยาบก็ได้ละเอียดก็ได้ ใกล้ใกล้ได้หมดเลยเขาให้เดินสติสัพชัญญาให้แข็งแรงให้มั่นคงหลักการตรงเนี้เราชาวพุทธต้องต้องชัดต้องชัดต้องไม่มึนต้องไม่หลงนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอย่าอยู่กับความเห็นแต่จงอยู่กับความจริงเพราะความเห็นกับความจริงถ้าแยกกันไม่ออกยุ่งเลยนะบางทีถ้าเราอยู่กับความเห็นเราก็นึกว่ามันเป็นหลักปฏิบัติได้แต่จริงๆมันไม่ได้มันแค่ความเห็นแต่ความจริงอ่ะสอนไม่ให้ระลึกอดีตอย่างเงี้ยจะ ทั้งๆ ท, ที่อดีตเนี่ยเราต้องเอามาไขาควที่มันผิดพลาดมันมีมันถูกมันมีใช่ไหมผิดพลาดเราจะได้ไม่ให้มันกลับมาเกิดอีกถ้าถูกแล้วก็เราจะได้พัฒนาปัจจุบันเนี่มันดียิ่งๆขึ้นไปอนาคตก็ต้องวางเป้าหมายไม่วางเป้าหมายได้งไงอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าบอกว่าอย่างพระบริสัทธ์ทเน่ะท่านบอกว่าท่านจะต้องในอนาคตท่านจะต้องตัดสรุปให้ได้ใช่ไหมท่านตั้งเป้าหมายไหม พ, <า>พระอัลพระอริยอัจพระ พัฒตบริษัททั้งหลายตั้งเป้าหมายที่นิโรธสัจจะหมดเลยมีจุดหมายร่วมกันว่าฉันจะต้องบรรลุนิโรธให้ได้จะต้องทากิเลสให้นิพพานทากระแสะชีวิตให้นิพพานนั่นคือตั้งเป้าหมายในอนาคตทั้งนั้นพอจะเข้าใจชัดนะึ okay. ่งโอเคอาเินยันพรยมนาลีนะอาเชินอ๋อคืออย่างนี้ การฝึกจิตให้เป็นสมาธิคําว่าเอกขตาจิตคําว่าจิตมีอารมณ์หนึ่งวัตถุประสงค์คืออย่างนี้ว่าสภาพจิตเนี่ยโยมปกติจิตของเรามันไม่มีพลังจิตมันไม่สะอาดจิตมันมีโรคจิตมันมีของเสียเต็มไปหมดอะไรคือทำให้จิตมันมีโรคมีของเสียจิตที่ไม่สะอาดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งการมาฉันทะภาษาพระก็เรียกความกำหนัดสองความขัดเคืองสามความหดหู่ท้อถอยสี่ความฟุ้งซ่านลำคาญใจห้าความลังเลสงสัยไอห้าตัวนี่แหละมันก้มล้มจิตมันทําให้จิตเนี่ยไม่แข็งแรงจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไม่ผ่องใสจิตที่ไม่สะอาดเพราะมันมีกิเลสเหล่านี้ก้มรุมอยู่ทีนี้วิธีการตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าการจะเอาสิ่งเศร้าหมองออกจากจิตเนี่ย ผู้จักก็เลยอุปมาทองทองคําตรงเนี้นะคือทองเนี่ยถ้าทองนั้นมันมีดีบุกมีเหล็กมีดีบุกมีตะกัวมีทองแดงมีมีเงินห้าอย่างผสมอยู่ทองนั้นเป็นทองไม่สะอาดไม่สุกไม่ปรังไม่สามารถเอามาทําแหวนทำสร้อยทํานาฬิกาทำส่วนนามาราเป็นต้นได้วิธีการก็คือใช้ใช้ก้อนหินนั้นที่มีทองด้วยมีเหล็กด้วยมีมีโลหะด้วยเข้าสู่เป้าเป้าหลอมโบราณก็ ใช้ไฟเผาปู๊บเข้าไปเผาเพื่อจะเอาเหล็กออกเอาตะกั่วออกทองแดงออกเอาเงินออกเอาโลหะออกเอาห้าอย่างออกให้เหลือแต่ทองล้ว น, วนเมื่อได้ทอง ล, ล้วนมาแล้วก็ใช้ทองนั้นมาทําแหวนนาฬิกาสุวรรณมาลาสร้อยว่าไปเป็นเครื่องประดับได้ชั้นใดจิตตอนเนี้ไม่สามารถเอาไปเดินวิปัสสนาญาณได้เพราะมันมีไอตัวห้าตัวเนี่ยก้มรุมอยู่ มันมีอะไรอะมีความกําหนัดมีความขัดเคืองมีความหดหู่ท้อถอยมีความฟุงซ่านลาคาญใจความลังเล ส, สงสยัยมันกุ้มลุมอยู่วิธีการก็คือทํายังไงจะสกัดไอ้ห้าอย่างออกก่อนเพื่อจะทำจิตให้อ่อนให้ครวรให้ปรองใสให้ปล่องใสก็เลยเอา้าอาณาบารณะนะให้ดูลมเนี้ยเป็นต้นวิธีดูลมก็คือตั้งสติไว้ระลึกให้รู้สึกว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกรู้สึกาหายใจเข้ารู้สึกาหายใจออกเพื่อให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว เอารู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกก่อนให้หยุดทจุดเดียวนี้ก่อนเอาตอนนี้สติยังไม่แข็งแรงเบ็ดเสร็จพอเริ่มรู้จักว่าหายใจเข้าหายใจออกได้แล้วขั้นที่สองรู้ยาวรู้สั้นให้จิตมันละเอียดให้จิตมีแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นไม่ใช่แค่รู้เข้ารู้ออกให้รู้ยาวรู้สั้นคําว่ารู้ยาวรู้สั้นก็คือว่าดูณจุดเดียวแหละแต่ว่าเราหายใจช้าหรือเร็ว ก็สามารถรู้ได้รู้ได้ยาวรู้ได้สั้นเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้าเข้าสั้นออกยาวก็รู้นะเข้านะเข้าให้รู้ตลอดสายพัฒนาไประ ด, ดับที่สมรู้ตลอดสายก็คือรู้ตลอดเลยเข้าปุ๊บก็ดูตลอดเข้าตลอดแต่ไม่ได้ตามลมเข้าไปนะการที่ทําตามลําดับอย่างนี้จิตมันจะแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นมามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวก็เป็นการสกัดความกําหนัดความกโกรธความหดหูท่ทอดถอย พอจิตตั้งมั่นปุ๊บแข็งแรงจิตก็ปราศจากมนทินพอจิตปราศจากกิเลสตรงนี้แล้วนี่แหละใช้จิตประเภทนี้แหละจิตที่มันใสเหมือนน้าโยน้ํามันใสเนี่ยเวลาถ้าน้ําขุ่นมันมองปลามันวิ่งหอยเอ่ยปลาเอ่ยกุ้งเอ่ยมันมองไม่เห็นกรวดก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเอาสารส้มใสเข้าไปปุ๊บน้ำข้ามันเห็นหมดเลยปลาวิ่งหอยเดินกุ้งมันวิ่งตลอดถึงเห็นกรวดเห็นหินแม้ชั้นใด จิตที่สะอาดจิตที่แข็งแรงจิตที่สะอาดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีพลังเดินวิปัสสนาญาณมันเห็นอะไรชัดแล้วมันจะละอนุสัยกิเลสได้นี่คือวัตถุประสงค์พอเข้าใจนะนี่พูดแบบเร็วๆ <c oughs> อา้าวแจกของ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ เ, เชิญเชยอมอา้าวอีกคนเดียวพอเนอ <c oughs> <c oughs> เอาะอะอย่างเออคือว่า มีพวกน้องอะค่ะที่โกรธงนายที่วีอะไรองเงี้ยค่ะเราก็ไปมีไปด่าแผนกอื่นเราแผนกอื่นก็กลับมาขอว่าเราอย่านี้จะแกัญหาะรได้บ้างครท่นานเขาโกรธง่ายโกรธ ก, กับทีวีนันเดียวกันหรือเ่าคืออย่างนี้วิธีการก็คือว่า เออในขณะที่เราอยู่กับคนที่โกรธสิ่งที่เราควรจะควรจะปฏิบัติตัวกับคนที่คิดโกรธก็คือเราต้องปฏิบัติต้องต้องต้องต้องทําความไม่โกรธให้เกิดขึ้นใช่ไหมเราต้องหนึ่งในการที่พุทธิยาบอกชนะคนไม่โกรธด้วยชนะคนคิดโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยก็คือเราต้องมีคันติคันติในที่นี้ท่านแปลความอดทน แต่แปลว่าอดทนเนี่ยมันยังไม่ชัดต้องแปลว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาหมายความว่าหมายความว่าเมื่อเราเห็นคนที่เขากโกรธก็ดีหรือคนที่เขาหุดหิดพุ่งซ่านก็ดีเนี่ยหนึ่งเราต้องยอมรับยอมรับพฤติกรรมเขาก่อนนะแต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะยอมรับพฤติกรรมเขาว่าที่เขามีบุคลิกภาพมีพฤติกรรมมีสภาพจิตใจอย่างนี้มันมาจากอะไรก็คือเมื่อเรามีขันติเป็นตัวตั้ง ของจิตแล้วมีความอดทนมีความตั้งมั่นมีสมาธิมีความแข็งแรงสติมาแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้ปัญญาเนี่ยเด็เข้าไปวิจัยวิจัยผลที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าคนที่ก็มีสภาพความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปสาวหาเหตุปัจจัยเขาว่าจริงๆแล้วเขามีสภาพจิตใจแบบนี้มันมาจากเขตอะไร เราต้องอ่านให้ขาดในฐานะเดียวเป็นหัวหน้าเนี่ยว่าคนคนนี้ที่เขามีสภาพจิตใจแบบเนี้เขาในสภาพครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมยังไงเขามีฉันทาคติไหมมีโทสาคติไหมโมหาคติพยาคติไหมเข า, เ ล, าลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะเพราะหลงหรือลำเอียงเพราะกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเขามีอคติในใจอย่างเนี้เราเนี่ยในฐานะเป็นหัวหน้าก็ต้องเรียกเขามาแล้วคุยเขาได้เมตตาใช่ไหม พูเดได้เมตตาแล้วก็บอกเหตุผลเขาว่าเออในอาการที่ทําลักษณะอย่างนี้อะไรมันเป็นมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องไปรู้เรารู้ว่าผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันเหตุบางคนเนี่ยที่เขาเป็นอย่างนี้บางทีมีปัญหาครอบครัวด้วยบางทีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยบางทีก็มีปัญหาถูกกดดันมาจากเจ้านายหรือฝ่ายต่างๆเหล่าเนี้ยเราก็ต้องไปรู้เหตุปัจจัยตรงนั้นให้หมดเมื่อเรารู้อย่างนี้เบีเสร็จก็เรื่องหนึ่งรู้จักปัญหาสองรู้เหตุปัญหาก็วางเป้าหมายวางเป้าหมายว่าเออเราจะทําให้เขา ไม่มีสภาพเป็นความขี้โกรธวีนอย่างอย่างที่เราเข้าใจยังไงวิธีการวิธีการที่หนึ่งยังไงสองยังไงสามยังไงนี่รายละเอียดยอมต้องไปดูในงานงานอีกทีถ้าพูดอย่างนี้เอามาพูดแบบรวมๆได้พูดแบบพอเป็นพอเป็นรูปแบบได้ถ้าเห็นตัวก็อีกอย่างจะไม่ได้ได้คุยก็อีกอย่างกรณีนี้ยอมก็จะต้องเพิ่มพัฒนาทักษะปัญญาโดยนี่เกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นยอมจะเห็นหมดทุกขั้นตอน เหมือนยอมขึ้นสู่ปัญญาปัญญาภาษาโทรปัญญาภาศาสตรมองมาข้างล่างยอมเห็นหมดแหละคนจะเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ทำนูนำ้นทำนี้มันเห็นเหมือนกันแต่ยอมยอมอย่าเอาใจเข้าไปยอมอย่าเอาตัวเองเข้าไปครุกจนเขาโกรธเราโกรธด้วยยอมจะไม่เห็นปัญหาเขาเครียดเราเครียดด้วยยอมก็จะไม่เห็นปัญหาเขาหลงเราหลงด้วยเขาฟุงา้งซ่านเราฟุ้งซ่านด้วยจะไม่เห็นปัญหาต้องถอนใจตัวเองออกจากกิเลสเหล่านั้นแล้วก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาให้สูงสูงสูงขึ้นแล้วยอมมองลงไป มันจะเห็นทั้งหมดไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวเขาเห็นสภาพที่เขาเผชิญปัญหายังไงครอบครัวเป็นยังไงหนูครอบครัวเป็นยังไงสามีเป็นยังไงลูกเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเออสภาพจิตใจเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรเล่ามาด้เราจะเห็นหมดเดยนี้พอเห็นหมดเสร็จก็วางเป้าหมายว่าเออจะจะละจะให้เขาละ พฤติกรรมแบบนี้ยังไงก็บอกวิธีหนึ่งทำอย่างนี้สองทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะเกิดการแตกแยกยังไงการอยู่ด้วยการต้องต้องมีขอบเขตยังไงต้องไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันยังไงเออกระวางระบบขึ้นมาได้พราะมองเห็นไหมเออย่างนี้เป็นต้นอา้าวเอาพระพุทธเจ้าไปดูก่อนจะได้ไม่โกรธ